พรกับราาครัวพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนักการ์มู่สมณะอระภปิสุทุกรูปด้วยความเคารพครับอา้าเจริญธรรมญาติโยมที่อยู่ที่ชุมชนราชธานีโศกและอยู่ที่อื่นที่ได้ดูรายการวิธีอริยธรรมทุกทุกคน วันนี้รายการวิธีอริยธรรมก็เพื่อพท่านเช่นเคยตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเศษถึง11บเนาฬิกาโดยประมาณนะต้องมีเศษด้วยนะครับมันมันไม่ลงตัวครับพระครูเคยบอกว่ามันไม่มีการลงตัวมันต้องมีเศษทุกอย่างที่เคลื่อนที่อยู่มันจะต้องมีเศษต้องมีทศนิยม สิ่งใดที่ไม่มีทศนิยมศูนย์โดยไรทศนิยมแล้วนั้นคือสิ่งที่ตายสิ่งที่หยุดสิ่งที่ไม่งอกเงยอีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่งอกเงยอยู่สิ่งที่เคลื่อนไหวต่อไปได้อยู่นั้นจะต้องมีทศนิยมแสดงว่าคนที่บุคคลที่ลงตัวที่สุดคือพระเจ้าที่บปินนิพพาน นอกนั้นก็ยังมีจุดทศนิยมอยู่ เ, เสมอดันั้นเราก็ไม่ต้องไปหาความลงตัวอะไรที่ดีก็ทําไปเลยมา <c oughs> หาความลงตัวสิเสร็จแล้วเราเองเราเป็นผู้ที่จะเพิ่มทศนิยมนั่นเองจะใช้ทศนิยมนั้นเท่าไรจะเพิ่มทศนิยมนั้นเท่าไรเราเป็นผู้จัดการเองจึงเรียกว่าเป็นผู้ยืนเนื้อสังขาร วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2557แรม9ข้าเดือน8ปีมามียกรกฎาคมเมื่อกี้บอกอะไรเ <laughs> ขียนกรกฎาคมรับ <laughs> <laughs> เร่งวันเร่งคืน <laughs> อุตสาเขียนไว้กรกฎาเมื่อคืนนี้มีสิทธิ์เก่าเข้ามาถามทางอินเทอร์เน็ตถามว่าท่านปีนี้ยี่อะไร เขาบอกท่าน60อิอย่างบอกเอ้ยเร่งกันจมาไปถึงไหน <laughs> วันนี้เราเร่งเองนะเอาใหม่วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2 5 5 7หตรงกับแรมเก้าข้ามเดือน8ปีมามี่อกี้ถามหมอดูสูแดนทำขยูวเลิกมาอยู่ที่ไหนดี <laughs> เขาบอกว่าเลิกดีอยู่ที่ความพร้อมครับห oh. นะมอดูเขาตอบว่างัน้นแสดงว่าตอบถูกต้องนะ รายการวันนี้ก็จัดอยู่ที่บ้านราษเมืองเรือนะบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำคือน้ำจะมาแล้วนะบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธ์เมืองอมะตะนะคือคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดของพวกครูที่คงไม่ได้พูดเล่นๆ น, นะแต่มาว่าคงใชเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ทาไมต่มารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่ดูในปีนี้เนี่ย ที่ชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยมีมหาวิชารามนาวาบุญยมเนี่ยเออก็ได้ดูว่าสงสัยราชธานีอโศกเนี่ยจะเป็นเมืองอมตะได้แน่นอนนะเท่าที่เห็นทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นนะที่จะลดละกิเลสไปเนี่ยนะเพราะครูก็จะสร้างเมืองอมตะโดยเฉพาะว่าคนนั้นเป็นคนอมตะนะที่เกิดขึ้นในชุมชนราชธานีอโศกน ตอนนี้เป็นช่วงเข้าวรรษานะเราก็สมณะก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะญาติโยมญาติโยมก็มาบำเพ็ญบุญกุศลนะบุญเนี่ยพ่อครูก็ตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องว่าบุญคือการชำระกิเลสนะตัวเองให้หมดจดในในสันดานนะไม่อยาการู้คนอมตะคืออะไรคือคนยังไงอ่ะเดียวันครับแสดงว่าพ่อครูอยากอธิบาย กุศลน็คือความดีนะที่เราทำโดยทั่วไปนะซึ่งนะคนอรมามะเป็นยังไงเนี่ยความจริงก็อยากรู้ครับแต่ว่ายังเป็นไม่ได้สักทีหนึ่งนะออยากเป็นไม่ยังเป็นไม่ได้ก็รู้ๆไว้ก่อนไม่ได้อะได้ครับนะ <c oughs> คือก็อยากรู้รู้แล้วก็นะทาให้อยากเป็นเหมือนคนเขาคนโลกโลกเขาอยากเป็นคนรวยใชนะ่อยากมีรถ <c oughs> ถามเด็กรเลีเนยนสมาธิขาเนี่ยจบไปอยากอะไรอยากมีรถ <c oughs> อยากมีบ้าน อยากมีอะไรที่เขามีกันนะนะเด็กเขาอบอกคือเป็นเป็นความฝันของเด็กอ่ะสมัยที่อยากมีซึ่งถ้าเป็นเด็กผมเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็เอออยากจะมีอาชีพอะไรตื่นเต้นเลยนี่ครับอยากไปเข้ามาหลาลัยนู่นมานนเนี่ยนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้สนิกสิ่งเหล่านั้นแลนะนะลาวจัสละเสรอนแต่ว่าเป็นคนอมตะเนี่ยครับโอ้โหน่าเป็นแต่เป็นยากจังเลยเป็นยากก็จะไปทยทอถอยที ไม่คือบางครั้งมันก็มีเหมือนกันเพราะาว่าเพราะว่ากิเลสมันตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันรู้สึกพูดไม่ให้กําลังใจตัวเองเลยเดี๋ยวก่อนครับคือใหม่ๆในปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าเป็นพระหรหันต์นี่คงไม่ยากครับตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะครับคือโอ้ยเลิอกกับใบยมุกนั่งเล่นพายอยู่เลิกเลยง่ายมากกินมังเสวิรัติเลยของของมันมีอยู่เดิสบ้ายสบายมากกินมื้อเดียว บอกว่าจะกินปื้ดเดียวก็ปื้ดไปเลยอย่างเงี้ยง่ายมากเลยไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนะไอโนนี่ก็ทําได้มาแต่งชุดมอซอไม่ใส่รองเท้านุ่งจุงกระเบนมากรุงเทพตัดผมสั้นไม่เห็นจะมีปัญหาเลยไปได้ปื้ดโหพรรระอองปื้ดปื้ดปื้ดปื้ดปื้ดบื้ดปื้ดคือเนี้ยทําอยู่คนเดียวเราก็ทําได้นะไปได้หมดคือไม่ได้ไม่ได้สนใจกระแสโลกี้ว่าเขาจะว่ายังไงดูถูกยังไงแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆนะ แต่พอถึงจุดๆ ด, ดึงที่เราไปยากครับอันนี้เนี่ยก็อยากจะถามว่าครูว่าไปยากแล้วมันก็บางครั้งถ้าเราอยู่กับพ่อครูอยู่กับหมู่เนี่ยถ้าฟังเทศพรอครูบ่อยๆเนี่ยมันก็มีกําลังมีพลังเยอะที่จะลดระกิเลส น, นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ห่างพ่อครูปุ๊บไม่ได้ค่อยฟังเทศเนี่ยเลยพว่อทูไม่ค่อยเทศเทศเรื่องอื่นเนี่ยเราก็กําลังเราก็การต่อทุ่นในตัวเองเนี่ยมันจะลดลง ผมรู้สึกยนั้นนะตัวผ ม, อมเองอะอ ม, มันจะลดลงทันทีเลยรู้สึกเอ๊ะไม่พลังมันน้อยลรงที่จะต่อสู้กีรีกีรีตมาปุ๊บโอ้เราสู้ยากมากขึ้นแต่ถ้าครัวครูเทศธรรมะแล้วหมู่กลุ่มก็อยู่ด้วยกันอย่างน า, นานแน่นขนาดนี้เนี่ยมผมดูโอ้มันมีพลังที่จะลดละกิเีรตได้มากขึ้นอ ม, มันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าเออเรามีความหวังอะกิเีตมันควจะแพ้เรานะแต่พอเราห่างพรอครูไปหรือหมู่กลุ่มเข้าไปชุมนุมไปนู่นไปนี่กันเนี่ย ตามแต่งานอย่างเดียวเราไม่ได้ฟังเทศมากรู้สึกเอ๊ะมันยากจริงเลยเนี่ยมันจะมันจะได้ไหมมันจะไหวไหมเนี่ยต่อสู้กันเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับมันจะเล่นเอาเถิดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ากิเลสเนี่ยมันพอเห็นพ่อครูแล้วเห็นหมู่กลุ่มเนี่ยมันหลบไปหรือเปล่ามันหายไปมันมันเป็นสัจจะนะเหมือนพลังงานแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่มีพลังของสนามแม่เหล็กที่มีพลังล้อมอยู่ เราเหมือนกับไอโมเลกุลหนึ่งมีอนูหนึ่งตกเข้ามามาอยู่ในสนาแมแม่เหล็กนี้พลังงานของเรานี่ก็จะถูกพลังงานที่ห้อมล้อมในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมันมีอํานาจมันมีพลังริดที่ทําให้เราต้องปรับไปตามเพราะฉะนั้นเหล็กอ่อนที่โยนเข้ามาในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันกลายเป็นแม่เหล็กไปปุ๊บเดียวใช่ไหมครับ อ่าชั้นใดก็บชั้นนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันมีพลังอำนาจขององค์ประกอบเรียกว่าสัมปะวังโกสิ่งแวดลอ้อมสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอำนาจของสัจธรรมทั้งหมดเลยที่เป็นพลังของสังกายกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มันรวมกันอยู่เป็นพลังงานที่เกิดจากสังขารต่างๆทางกายทั้งวจีทางมนโนเนี่ย อยู่ในมนุษยชาติเนี่ยมันก็เกิดเป็นพลังงา น, นเกิดเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในร่างกายเราเนี่ยพลังงานที่มันเกิดขึ้นในการปรุงแต่งของธรรมชาติในร่างกายมันก็เกิดขึ้นมาเขาเรียกในศัพท์ว่าแคลอรี่นะเขาเรียกว่าแคลอรี่ส่วนพลังงานของสังคมสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมนุษย์ มันก็เกิดพลังงานที่มันเกิดขึ้นมารวมกันเนี่ยมันเป็นพลังงานอันนั้นอ่ะเราไม่รู้จะเรียกอะไรไม่มีภาษาเรียกนะเป็นพลังงานที่เอ่อกำลังเทียบกับว่ามวอนสนามแม่เหล็กมวอนสนามแม่เหล็กมันก็มีพลังงานอยู่ในในสนามแม่เหล็กนั่นแหละนะทีนี้จะเรียกพลังงานสนามแม่เหล็กอันเป็นวัตถุนั้นมาเรียกพลังงานของสังคมกลุ่มมนุษย์นะสังคมกลุ่มนุษย์ที่อย่างชาวโกคละเนี่ย เรามีทิฏฐิสามัญญาตามีศีลสามัญญาตาใช่ไหมมันเปนในทิศทางสอดคล้องกันมีจุดมุ่งหมายตรงกันเดียวกันและมีพฤติกรรมภาคเพียรผู้ปฏิบัติได้ก็นำเป็นพลังแกนพลังแกนนะเป็นคอหรือว่าเป็นเอเซนซ์นำจูงนำหรือว่ามีพลังดูดพลังดึงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานจริงๆคนอื่นๆที่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็สมทบ รวมกันเข้ามารวมกันเข้ามารวมเข้าก็เป็นแผ่นรวมพุทธิทิติสามัญตาทิติสามัญตาศีนสามัญญตาอยู่แล้วมีความเห็นความเข้าใจมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆมันไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วแม้มันจะมีอะไรต้านแต่ละคนทุกคนก็มุ่งมีมโนสัญเจตนาเดียวกันไปจุดหนึ่งเดียวกันเข้าใจอยู่แล้วและมันก็ไม่มีชาติทิฏฐิ มากมายนะักมันก็ไม่เกิดการสปาร์กหรือว่าเกิดการ อ, อะไรโตรตาลที่มันสลายทิ้งสูญเสียมากนักมันมีบ้างแต่พลังรวมแล้วองค์รวมมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเป็นพลังที่ไปที่เป็นคอนเวนเชนส์ไปสู่จุดเดียวกันมันนนำไปสู่จุดจุดมุ่งหมายตรงกันเยอะนะ นี่ก็พยายามจะอธิบายทั้งภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาศิลปะภาษาอังกฤษภาษาไทยตามภาษาโพธิรักตามภาษาโพธิรักหลอกกันนูนูนีเนียกันหน่อยฟังเข้าใจไหมล่ะพอเข้าใจครับใช่ได้นะพอเข้าใจใช่ได้แสดงว่าคุณก็ยังไม่เก่งพงษ์ก็ยังไม่เก่งคนอธิบายก็ยังไม่ค่อยเก่งคนฟังก็ยังไม่ค่อยเก่งก็เลยได้ได้แค่พอใช่ได้เอาละครับผมไม่เก่งไม่เก่งกันทั้งคู่ พราครูอาจจะเก่งอยู่แล้วครับอแต่ว่าผมอม่เก่อ่าทีนี้เมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วก็สรุปว่าเพราะงั้นเมื่อเรามารวมอยู่ในหมู่เข้ามาอยู่ร่วมกับหมู่มันจึงง่ายเพราะมีพลังผลักดันมีพลังที่โน้มนำมีพลังช่วยให้เราเป็นเช่นนั้ง่ายเพราะเราไปอยู่โดดเดียวพลังเหล่านั้นไม่มีพลังห้อมล้อมพลังที่จะเข้ามาโน้มนำมาเข้ามาผลักดันมาเนิวนำมาเป็นแกนเป็นแกนอะไรไม่มีทั้งนั้น มันก็ยากเพราะฉะนั้นความมีหมู่ดีมิตีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจึงเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ของการจะประพฤติพรหมจรรย์ของการจะปฏิบัติทาให้บรรลุพรหมจรรย์ได้ทีเดียวฟังดีๆพิจารณาดีๆเห็นดีๆแล้วจะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกคนได้อยู่ห่าง ไม่อยากพูดหรอกเหมือนงอเงอนเองกัดมาไม่งอใครอย่ามาเข้ามาอยู่ในนี้ไม่งอพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะหาว่างอเสียศักดิ์ศรีลูกกำนันควาจริงอยู่กับหมู่กลุ่มอยู่คือถ้ามีพ่อครูเป็นประธานอยู่ด้วยเนี่ยพลังมันจะรู้สึกมากเลยครับเหมือนกับผมเป็นแกนไงครับเป็นแกนคือแม้อยู่กับหมู่กลุ่มถ้าไม่มีพ่อครูเนี่ยพลังก็ลดไปส่วนหนึ่งมันก็มีหมู่กลุ่มก็มีอยู่คนรองๆองมาก็เป็นแกนอาจจะแกนไม่ ไม่ไม่ไม่แกนไม่เป็นแกนเนื้อหาไม่ไม่แน่นไม่มากไม่พลังสูงมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติครับเพราะว่าคือพลังอันนี้มันทําให้เรารู้สึกคือเออมีพลังมีมันเหมือนกับพ่ะครูมาเนี่ยกิเลสมันจะขดลงไปแบบเหมือนกับเฮ้ยพระมาแล้วนี่ยอย่า อ, อย่าเยี่ยมนะอ่างเงี้ยนะ <laughs> ไอ้ต้นหนังสือ <laughs> พวกนี้มันสอดคล้องกับเรื่องก็อินเสิร์ตก็ไปเลยอ่าอินเสิร์ตก็ไปให้ ต้องบา่าเนเลยเห็นตัวหนังสือด้วยไอ้นี่มันพรีวิวอ๋ออันนู้นนะครับอ่าอากาศมันต้งนอนคือประเด็นอย่างเงี้ยแล้วก็มี<อ>แม้แต่พ่อครูมาคนเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่พอมีหมู่กลุ่มเรียนมหาวิชารามเนี่ยครับเขาเขาตั้งใจเรียนเนี่ยแล้วมีพลังเนี่ยผมรู้สึก<ช>ได้เลยว่าโอ้โหมันมีพลังมันมีพลังเห็นชัดๆเลยนะแม้ใครจะไม่ค่อยมีปัญญามีปฏิภาณเท่าไหร่ก็จะเห็นโอ้โหมันมีพลังพลังรวมที่มัน มันเป็นธรรมรามันเป็น ม, มันเป็นคุณราศีมันเป็นพลังที่มีแสงมีกระแสออกให้เราสัมผัสได้มากครับรู้สึกได้อย่างนั้นเลยว่าโอ้โหมีพลังผลักดันเราให้ต้องทําดีต้องปฏิบัติดีครับจิตเราจะโน้มไปทางนั้นมากนะครับดังนั้นดูว่าเออระบบที่พ่อครูทํามหาวิชารามเนี่ยพมรู้สึกก็ดีแต่ตอนที่พยายามทําเสมอพยายามรวมๆแต่ไม่คยพยายเพื่อคลายเครียดไปอีกครับ นะเพราะว่ามันกิเลสมันพาเป็นอยู่แต่มันก็ได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยท่จะรู้ความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเหมือนกับงานพุทธาปลุกเสกสมัยก่อนอะนะครับผมไปเนี่ยโอ้โหมีพลังมากเลยนะนั่นแหละก็เรื่อยเรื่อรือยเ ร, ยรมันเกิดทั้งรูปธรรมและนามธรรมาด้วยบางทีมาได้เสียไม่ได้มีแต่รูปนามไม่ร่วมมันก็ได้ประมาณหนึ่งถ้ามาทั้งรูปแล้วก็มามีทั้งนามด้วยมันจะมีพลังสูงเห็นชัดเจนเลย มันผาักดันเราให้ขึ้นบุ๊บุๆบุุบบบ<อ>กเสกพุทธาสมัยก่อนนี่เขาจะตั้งใจบําเพ็ญกันเรียกว่าบางคนอดข้าวบางคนไม่ ท, ทำได้นู่นใส่เสื้อผ้าชุดเดียวบ้างอะไรบ้างโหบําเพ็ญกันน่าดู<อ>ในยุคนั้นนะครับแล้วคนก็บําเพ็ญบรารมีกันมากตั้งใจ<อ>ปฏิบัติศีลกันตเต็มที่<อ>แม้แต่มาในสันติสันติสุขนะครับเดินมาแต่ละคนเดียวโหมาถึงก็คุยแล้วตั้งตังอะไรจะลดละกิเลสอะไรคือแบบมันเป็นบรรยากาศแห่งความ นั่นแหละมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของโพรโมจันมันสุดเลยขนาดพระอานุนบอกบอกว่าไม่อุทานว่าพอพอเข้าใจนะว่าโอ้โหความสำคัญของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือว่ากัลยาณมิตรตักัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเนี่ยพอพระอานุ์เข้าใจปับ๊บอุทานว่าโอ้โหเป็นตั้งครึ่งหนึ่งของโพรโมจันเช้านะพยาการว่างันเลยนะ พระเจ้าบอกอนอนน์ไม่ใช่ครึ่งนึงมันทั้งหมดทั้งสิ่งของพระรมจร น, นะอนอนน์ครับโอ้วานนน์ยิง่งโอ้โหอย่างงั้ยนเลย <laughs> คือ<ม>ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจอย่างววบบเนี่ยผมเห็นพรอครูพาทำเนี่ยผมแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะพรอครูก็พูดให้ฟังตอนพวกผมทาน้าท่วมอะ่ะพรอครูก็พูดเรื่องววบบสามบอกก็พูดไปแล้วก็อา้าก็เรื่องของพระพุทธศพูดไปก็ปกฟังไปเรื่อยว่างั้นฟังไปเรื่อยเรา พอตอนทำงานแล้วโอ้โหทำไมคนมีพลังขนาดนี้เฉล่ะเนี่ยนะคือคาดไม่ถึงว่าบอคนมาแค่เจ็ดวันเนี่ยมีพลังมหาศาลปุ๊ปบปๆบปุโปเราต้องทำงานท่าไม่ทันเลยนะแต่ละคนนีมีความกระตือรือร้นที่จะมาบำเพ็ญบารมีตัวเองเนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าพอวนบอเนี่ยผมก็ตอนประชุมกับหนึ่งฟ้าเนี่ยผมก็มองไม่ค่อยออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ วันนั้นพระครูเขา้าประชุมเอาเลยเหรอมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีหลักสูตรอะไรแบบก็ยังงงๆอยู่แต่พอคนสมัครพงเฮ้ยเขากล้าสมัครได้งไงเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเดนะ๋ยวใกล B B B B ้แล้วนะใกล้วันวบบบบแล้วนะครับบ<อ>บบบก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพบบบบเนี่ยไม่ได้เป็นโครงการที่จะต้องจับมารวมกลุ่มไว้เหมือนกับวบบบบวบบบบเนี่ยต้องมาอยู่ในคอกอยู่ในสถานที่มันมีกฎบังคับขึ้นมา ส่วนวบบบนั้นเธอคุณจะสเปะสปะอยู่ในวันนั้นก็มารวมกันแล้วกันนานๆทีก็มาก็ว่าไปมันมันมีนัยยะที่ต่างกันอยู่อย่างนั้นเพราะองค์ก็อย่างทิ้งไม่ได้วบบบบบบก็จะต้องทำคุณก็เตรียมไว้กันแล้วก็จะเมื่อยอีกครับก็ดูว่าวบบเนี่ยเป็นคนคือญาติธรรทที่เขามีภารกิจหรือว่ามีวิบาก และเขาได้มาประเจ็ดวันเนี่ยผมว่าก็ยังดีนะครับใช่ก็ต้องเนี้ยแรกก็ต้องเอาทุกอย่างคไปม่อพยายามภาคเพียนสร้างคนเพราะครูก็สรรค่าสร้างคนไปให้ได้มากๆเพราะครูก็เหมือนมีความเมตตาที่จะช่วยพวกเขาอ่ะเขาก็พยายามก็จะสมัครกันมามันมันคือว่ามันปฏิฐานมันมันมานานแล้วมันก็ต้องเนี้ยมันต้องทํามันเป็นปฏิฐานส่วนส่วนนี้มันจะปฏิฐานตามนี้เรื่องนี้ครับ ก็จะต้องทากันไปจนกว่ามันจะนนและปรินิพานเป็นปริโยสารนนหละหมายถึงพ่อครูปรินิพานนะพวกเราก็วิ่งกันต่อๆไปยังไม่ปริปรนิพานเป็นปริโยสารเมื่อใดก็ยังอยู่เป็นอมตะบุคคลไปอยู่นี่แหละโอ้นี่บอกตัวเองเป็นอมตะบุคคล น, นั่นเนี่ยมันหลุดปากไปแล้วอะ่ะคือบองังขาเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะ รันวอร์ดอบเนี่ยก็เห็นว่าคนกระตือรือร้อนดูทั้งคารวาสญาณโยมอะไรเนี่ยก็กระตือรือร้อนกันที่จะมาฟังเทศแล้วก็ทางสปนสิกรมาศอะไรเนี่ยแม้ตัวผมเองก็กระตือรือร้อนว่าเออมันเป็นอะไรที่ที่น่าฟังเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์จากกา ร, รลดระกิเลเและการฟังธรรมตอนเย็นเนี่ยผมว่าก็ดูดีเพราะว่ามันเป็นภาฯรกิจที่สบายๆนะแล้วฟังธรรมเนี่ยมันก็จะเข้าได้ได้มากกว่าตอนธรรมเชา้าผมรู้สึกอย่างนั้นนะ mm. เพราะว่า บรรยากาศตอนเย็นเนี่ยเปนหมเหมือนเหมือนกับเรกินข้าวเย็นอ่ะกินข้าวเย็นเนี่ยเรากินซะเต็มที่เลยเสพเต็มที่เลยอ่ะนะคือไอ้ข้าวเย็ น, เ, นยเลือกยากเพราะว่ามันเสพเต็มที่เพราะมันสบายกัมันปลดปล่อยตัวเองเพราะนั้นภารกิจที่ฟังทำตอนปลดปล่อยเนี่ยผมว่าตั้งใจฟังได้ดีตอนธรรมเช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการตื่นนอนแล้วก็คนงงงับๆอยู่เนาะครับคือตื่นมากําลังเมาขี้ตาอยู่อะไรเงี้ยนะ สลัดมุงมาอะไรมามันก็ฟังรู้เรื่องมองไม่รู้เรื่องบางแต่ตอนเย็นเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์สูงกว่าตอ น, นที่จริงตอน9ก้าโมงเนี่ยจะดีกว่ามากเพราะไปตอนเย็นก็สักเพลเพลนหน่อยแต่ตอนเก้าโมงนี่ดีมากเลยเอางี้ตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยอธิบายประกอบกันมิดดีสซนดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงขั้นเป็นอมตะบุคคล เอางานอินอธิบายงินดีกว่านีน่มันพระครดเลยครับคือในอสุรยิยปยานสูตรเนี่ยเริ่มต้นในมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแต่ท่านตรัสไว้อันเดียวท่านตรัสมิตรดีคำเดียวแต่คำว่ามิตรดีคำเดียวก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเช่นท่านตรัสเรื่องศีล คำว่าศีนกล่าวขึ้นมาแล้วแน่นอนเมื่อใครที่เรียนรู้และเอาไปปฏิบัติมันจะต้องถึงสมาธิปัญญานะจะต้องเป็นอธิจิตสิกาอธิเป็นญาสิกาอธิมุดอธิมุดมันไปหมดทะลุไปเลยไม่ได้หมายคำว่าพูดถึงศีนก็ตัดขาดมีแต่ศีนด้วยอยู่อันเดียวอันนี้ของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นอิทัปปัจจยตาทุกอย่างเป็น r e l a ทุกอย่างเป็นปฏิสัมพันธ์กันทั้งหมด เพราะงั้นผู้ที่ตัดแยกส่วนเนี่ยไม่ต่อเนื่องเนี่ขาแสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักความต่อเนื่องถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องความต่อเนื่องหรือว่าปัจจัยการหรืออิทธิปัจจยต า, าที่มันต่อเนื่องกันสัมพันกันคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่รู้ความเดินความวนความ เป็น relative ของไอสไตล์นี่แหละมันสัมพันธ์กันทั้งหมดไม่ว่าอะไรอะไรรูปนามมันสัมพันธ์กันหมดมิตรดีเป็นข้อต้นของสุริยปยานสูตรแสงอรุณมาก่อนที่จะปฏิบัติมรรคองคปดอ่าเพราะงั้นสูตรนี้ท่านบอกไว้ชัดคุณจะปฏิบัติมรรคองแปดเป็นหรือว่าจะปฏิบัติมรรคองคปดเป็นผลมีผลได้คุณจะต้องมี มีแสงอรุณต้องรู้จักเจดข้อนี้ก่อนต้องรู้จักหรือจะต้องเป็นจะต้องมีให้ใ ห, ให้ได้ไม่มากก็น้อยถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดีถ้ายิ่งครบก็ยิ่งบริบูรณ์เลยก็ยิ่งจะปฏิบัติมรรคองแปดได้เต็มที่นะข้หนึ่งมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะข้อสองฉันทะข้อสามศีลข้อสี่อัตตาข้อสองศีนข้อสามฉันทะ สับนนิดหน่อยข้อสองสงข้อสาธันทะข้อสี่อัตตาข้อหทิฏฐิข้อหอัปปมาทะข้อเจโยนิสมนสิกานเะจ็ข้อเนี่ยนะมันก็จะต้องเข้าใจก่อนเป็นแสงอรุณถ้าแสงอรุณคุณไม่รู้อันนี้ก็แสงอรุณนี่ก็แสงอรุณต้องเจ็อย่างนะแสงอรุณตงนั้นคุณไม่เจอแสงอรุณนะคุณจะหรือมีแสงอรุณไม่ครบเจ็ดก็ปงปร่ปงแพงๆกัน มักขาเปก็ปฏิบัติมักก็ขาเปเพราะมันไม่มไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าองค์ประกอบของมิตรดีสายดีสังคมซึ่งแวดล้อมดีตั้งแต่แกนหลกักยมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรานี่แหละเป็นมิตรดีของเธอภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันยิ่งใหญ่ถ้าเป็นแกนเป็นแก่นของมิตร ด, ดีพระษารีบุตรพระโมคคลลาพร ะ, อะไอศีติสาวกต่างๆ ก็รวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีคุณนันนิทิมีคุณราสีอะไรที่จะมีคุณธรรมต่างๆที่เป็นคุณนิติมีคลังของคุณธรรมแลกมีพลังงานจนกระทั่งแพร่แผ่เป็นรังสีเป็นราศีออกไปให้คนอื่นรับได้คุณราศีอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่แล้วแต่ละพูดแต่ละท่านตามจริงอย่างพระพุทธเจ้ามีมาก อง อ, อื่นรองลงไปก็มีตามลำดับไปก็เป็นเมื่อรวมกันแล้วคนนั้นคนนี้ทั้งอิติสาวกทั้งสาวกอื่นๆ อ, อ, อีกก็รวมพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กของของธรรมะเป็นสนามแม่เหล็กของธรรมะพระญานผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติก็ต้องเข้ามาอยู่ในหมูน่นี้อย่างน้อยคุณจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลหมู่นี้อย่างอาชาวโศก มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นศีลห้านะเข้ามาในนี้ต้องมีศีลห้านี่อย่างนี้เป็นต้นศีล ส, สามัญญาตาทุกคนก็จะต้องอยังต่ำยังต่ำเกณฑ์ยังต่ำต้องศีลห้าไม่มีอบายมุกกินมังสวิรัติตรงนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักเกณฑ์เป็นศีลทุกคนก็พยายามปฏิบัติพื้นฐานนี้ให้ได้ส่วนจะสูงกว่านี้นั้นก็ส่วนบุคคล น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสูงก็ไม่มีปัญหาแต่ขั้นต่ำต้องเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีศีลแล้วเข้ามาสู่หมู่หมู่มิตร ด, ดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหมดแล้วน่ะมิตร ด, ดีกาลยาณมิตรก็คือเป็นผู้ที่จะต้องช่วยกันให้ทางจิตลึกซึ้งมิตรนิดยมไปทางกลัรวรวมทางนามธรรมหมดมากาลยานามิตรตกกาลยานามสหายโยเป็นผู้ร่วมประโยชน์สหายะร่วมประโยชน์ นะมีประโยชน์ร่วมกันแล้ว่าการยานะสัมปวังโกอัตมาแปลว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีกายาณนะอ น, นี้ดีส่วนทางด้านพระติปิกหรือว่ากลุ่มทั้งผู้รู้ทั้งหลายแหละท่านแปลว่ามิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีท่านแปลสัมปวังโกว่าเพื่อนดีอัตมาก็ง ง, งว่าคำว่ามิตรกับคำว่าเพื่อนมันต่างกันตรงไหนนะ มิตรกับเพื่อนภาษาไทยเนี่ยความหมายภาษาไทยมันไม่ต่างกันมันไม่มันไม่คลี่ออกมาเลยสัมปวังโกมันมีความหมายกว้างรวมมากกว่านั้นนะอาตมา ก, ก็เลยแปลของอาตมาเองว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะเมื่อดีแล้วมาอยู่ร่วมในหมู่ผู้มิตรสหายดีรวมกันแล้วนี่เป็นสัมปวังโกนี่ก็ต้องมาร่วมมีศีลสามัญญตาแล้วจิตของเราเอง ต้องมีฉันทะต้องมีความยินดีถ้าความไม่ยินดีคุณฝืนคุณเบื่อคุณไม่ชอบเลยยากยากเพราะนั้นถ้าจะมาแล้วอย่างน้อยคุณต้องมีความรู้ว่าเออมูลนี้ดีนะมูลนี่ดีนะนะคุณต้องเข้าใจแล้วเมื่อดีคุณก็จะต้องเข้ามาฝืนก็ต้องฝืนมันจะต้องมีเข้าใจว่า ด, ดีแล้วคุณก็จะต้องรู้ว่า ด, ดีเห็นดียินดีมาก่อน ถ้าใจมันดีด้วยยินด้วยเห็นด้วยใจมันโน้มน้อมมาด้วยบอมันดีดีดีไอ้ความว่าใจมันโน้มน้อมมานี่ใจคุณต้องเป็นเองนะถ้าบังคับมันให้มาัเขามาตามคุณบังคับได้มากได้น้อยแล้วแต่แต่ถ้าใจมันไม่ต้องบังคับโอ้โหมันฉันทวิริยะจิตวิมังสาอย่างเมันเอาใจใส่มันยินดีแล้วมันก็เพียปากเพียนแล้วมันก็จิตมาตะแหล่มันโถมก็มาโน้มก็มาเลย เป็นธรรมชาติใช่ไหมเพราะมันมันเห็นจริงมันเห็นดีมันศรัทธามันเรื่้มใสมันเข้าใจมันไม่ได้ถูกหลอกด้วยมีปัญญาไม่ได้รู้อย่างชัดเจนมันก็มาเต็มๆเพราะสรุปแล้วมันต้องมีจิตตัวยินดีพอใจมันจึงจะเป็นตัวเสริมหนุนอย่างสําคัญเสร็จแล้วตัวที่สี่สุริอัปยานแสงอรุณตัวที่สี่คืออัตตา คุณต้องเข้าใจความเป็นอัตตาคุณต้องรู้ว่าความเป็นอัตตาคืออย่างไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนต้องตามอ่านอัตตาของตนเองคุณเอาวิชาคุณมีอัตตาทุกคนเนี่ยซึ่งสัญแยกอาไว้ว่าสามอย่าง อ, อราติกอัตตาอ่ามโนมยอัตตาอรูปะอัตตา อ, อ, อยู่ในประจ้ปิดกเล่มกล่าวไม่แน่ชัดชักมันเดือนแล้วว่ามันอยู่ใน อ, อัมพตสูตรหรือว่าอยู่ใน ดูเหมือนจะอยู่ในอภัสสูตรนะอ่าอยู่ในไม่ใช่ปุถะพะมัง้งอยู่ะดูเหมือนนั่นแหละกบสูรพรงพวกนี้แหละปุถะพาทสูตรอยู่ในปุถะทพท ส, <อ>สูตรเ<ล>หรอมร้อย่อครับอปทสูตรไม่เอาเราไปจอ๋อ อ, อ, อนั่นเป็นความเสือมสี่ประการอันนั้นความเสือมอยู่ในปพธะทสูตรนะท่านแจกไว้ชัดสมอย่างนี้นะอริกะปัต ปฏิลาโหมโนมยอัตตาปฏิลาโภอรูปอัตตาปฏิลาโภน่ะสมอย่างเมื่อเราเองเราเข้าใจความหมายของอัตตนี้คุณก็ไปเรียนรู้ปฏิบัติเพื่ออ่านอัตตาเมื่อมันเกิดอันนี้โออะไรกับอัตตาเป็นอัตตายากเกี่ยวข้องกับรูปรดกินเสียงสัมผัสน่ะเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับลาบยศสั่เสริกข้างนอก นน้ำไฟลมอะไรก็แล้วแต่บุคคลเราเขาต่างๆมันเกี่ยวกับการสัมผัสสัมพันธ์กับข้างนอกแล้วคุณก็เกิดกิลเลสเกิดตัวตนเป็นตัวตนยึดติดมาเป็นเราเป็นของเราอะไรเนี่ยโดยมายากได้มันเป็นเราเป็นของเราคุณก็ต้องอ่านคุณนี่ออกว่ามันไปสัมผัสแล้วมันเกิดอาการนี้นะส่วนมนโนมยอัตตานะี่คืออัตตาที่คุณปั้นขึ้นมายึดขึ้นมานะ มีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้เพราะนี้จยากที่จะแยกมโนโมยะตาเนี่ยเป็นตัวกลางที่จะเป็นผลสําเร็จก็อยู่ที่มโนมยะเนี่มมยมยะแปลว่าความสมําเร็จมโนมยิยะเพราะฉะนั้นเสสร้างขึ้นโดยที่เรียกว่านิมิตขึ้นสร้างขึ้นโดยมันไม่มีคุณปั้นขึ้นสําเร็จเป็นอัตตาที่สําเร็จโดยจิตหรือมโนมยะอัตตาอัตตาที่สำเร็จโดยจิตหรือรูปที่สำเร็จจิตรูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้ คุณกำหนดมันขึ้นมารู้กําหนดขึ้นมามันได้มันเป็นมันเป็นรูปมันก็เป็นรูปมันเป็นนามมันก็เป็นนามมันเป็นอารูปมันก็เป็นแค่อารูปเกิดขึ้นมาคุณปั้นเองตรงนั้นน่ะเป็นการสร้างเองเลยทางจิตจิตนี่มันมีอุปทานมันสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเช่นมันหลอกอาการสุขความสุขมันหลอกความเพลิดเพลินความสนุกสนานมันปรุงแต่งขึ้นมาเองมันไม่มีของจริง อนนี้ของจริงอะ่ะถ้ามันจริงอันนี้สนุกคนไหนไปสัมผั <Then> สมันก็ต้องสนุกอันนี้มันเปรี้ยวใครมาสัมผัสมันก็เปรี้ยวหมดเพราะมันเป็นของจริงอฝรั่งไทยเจ๊กแขกที่ไหนมาสัมผัสอันนี้มันก็เปรี้ยวเหมือนกันหมดแต่ไอ้เปรี้ยวแล้วคนหนึ่งมันชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบอันนี้นะมันของปลอมอร่อยไม่อร่อยอันนี้ของปลอมมันไม่ไม่ตรงกันไม่ต่างกันมันยึดเปคนละยึด ของใครเขามันครับบ้าใครบ้ามันโง่ใครโงม่มันเห็นไหมเนี่ยโง่ใครอันนี้แหละตัวนี้แยกใครออกอส่วนตัวจริงนั่เนี่ยสัมผัสมันเปรี้ยวสัมผัสมันแดงสัมผัสมันเขียวสัมผัสมันเย็นร้อนอ่อนแข็งเอา้ามันก็เป็นธรรมชาติจริ ง, รงๆของมันใครก็เหมือนกันมีประสาทไม่เสียประสาทสัมผัสมือนกันหมดแต่ไอสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือไอติมโนโมยอัตตาสร้างเอง หลงเองยึดว่าจริงหรือว่มียึดว่าดียึดว่าแหม่มันน่าอยู่กับกูแล้วเนาตลอดกลาลนานนะเองเอ้ยไอ้อร่อยอร่อยไอ้เพลิดเพลินไอ้แซ่บๆนี่อยู่กับข้านะ <c oughs> หัวเราอะไร <c oughs> หัวเราตัวเองโ <c oughs> ง่มันนักกวานะแล้วยังโง่อต่อยก็ยังมีโง่อยู่ครับเพราะว่ายังโง่ต่อย นี่มันเข้าใจขนาดเข้าใจมันยังต้องภาคเพียรล้างภาคเพียรทําอีกให้ความเข้าใจให้มีพลังปัญญาให้มากจนมันมีฤทธแรงจนกระทั่งมันมีฤทธกะจัดไอพลังยึดพลังติดพลังที่มันเป็นตัวตนอยู่นี่หายไปได้นะเพราะมนไปรวมอยู่ที่มโนมยตตาความสาเร็จทางจิตอ่าสเร็จโดยที่เรียกว่าคุณหลอกตัวเองสาเร็จก็สาเร็จ <c oughs> แล้วทุกคนเอาวิชาลองตัวเองสำเร็จทั้งนั้นเนี่ยโดยงโง่ๆพอมารู้แล้วก็มาลางขาจัดมันออกจนได้ก็เป็นผลสำเร็จเหมือนกันสำเร็จโดยล้างออกสำเร็จโดยงโง่มันก็เอาเข้ามาสำเร็จโดยล้างออกมันก็หมดจดได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนอรู ป, ปอัตตานะเป็นการขยายส่วนที่ ดูขนาดดูส่วนเกินส่วนเหลือมันยังมีมากมันมีน้อยจระจังมันเหลือน้อยอะรูปถูกรู้อย่างที่จะเกือบจะไม่รู้แล้วอะแล้วเกือบจะไม่รู้แล้วนะเนี่ยตัวปลายปลายก็ต้องทําให้หมดเกลี้ยงเลยแม้มันมีอยู่ก็ไม่เหลือมันหมายความอย่างนั้นเป็นอัตราตัวปลายก็แสดงว่าสามสามอันเนี่ยคือโอราลิกาตาคืออัตราหยาบอือยู่ภายนอกอื มโนยะตาคือจิตของเราที่เราไปปรุงแต่งตัวกลางถ้าตัวกลางที่เรายึดถือไว้มากจะน้อยอะไรก็อยู่ที่ตรงเรียนรู้แล้วก็มีจริงอยู่ตรงนั้นแหละอรูปตาคือเราล้างกิเลสไปกิเลสมันเบาบาอรูปปลายอรูปอรูโอลาริกตาตัวต้นครับตัวอยาตัวต้นรูปตาตัวปลายมโนมยอะตาตัวกลางที่อยู่จัดการอยู่ตรงนั้นอภิสังขารจัดการครับขจัดทําลายอะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียกได้ภาษา อภิสังขารก็เลยรวมรวมมาเลยจัดการอย่างยิ่งจัดการอย่างอัคคันอภิอภิธรรมนะอย่างยิ่งอย่างทํรอย่างผู้ที่มีอภิปัญญาธรรมนะถ้ามโนปยาอัตตามากมันก็ทําให้โอลาลิกาอัตตาเพิ่มขึ้นก็ใช่สิมันตัวหยาบอัตตาลดลงได้มันไปหาอรูปอัตตาสุดท้ายก็จะต้องไม่เหลือแม้อรูปอรูปอัตตาไม่เหลือสักอัตตานะเอาเนี่อัตตาสาม ทิณนี้จากอัตตาแล้วเมื่อรู้แล้วคุณก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเรียกว่าทิศดีภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็ทิฐิทิฐิความรู้ความเห็นหลักการความเข้าใจทิฐิก็ต้องหาทิธิต้องหาหลักเกณฑ์หลักการต้องหาความเข้าใจต้องหาแม้แต่ลทัทธิท่านก็แปลนะทิธิหรือทิษดีลทัทธิต้องหากลุ่มในลัทธิไหนลนะ่ะ เจ้าไหนกลุ่มไหนคณะไหนแบบไหนลทัทธิแล้วก็ได้ลัทธิม า, ไ ด, า, ดมาได้ทิสดีมาได้ทิฏฐิมาได้หลักเกณฑ์มาก็เอาปฏิบัติอย่าประมาทคำว่าประมาทนี้ก็จะเตือนเลยว่าอย่าเลาะเ ล, ล, ละและอย่าทำผัดวันประกันพุ่งอย่าทำอะไรต้องคมีคำมั้นเอาใจสายภาคเพียน ปฏิบัติไปเสมอเราก็จะรู้ว่าปฏิบัติธรรม้นปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าจะต้องปฏิบัติให้มีสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงมีวิริยะสัมโพชฌงนี่เป็นตัวหลักปฏิบัติตลอดทุกลมหายใจเข้าออกต้องมีสติและทําสติให้เป็นสัมมาทําสติให้เข้าหลักสัมโพชฌงสัมมาก็คือ ปฏิบัติภาคเป็นสมาเป็นตัวตัวคอนติเนวเป็นตัวภาคกาลังกระทำกำลังปฏิบัติสมาทำให้มันสมามันไม่สมาก็ปฏิบัติให้มันสมาสมาได้ก็เรียกว่าสัมโพชฌงสติสัมโพชงเข้าสู่การตรัสรู้เข้าสู่การบรรลุไปตามลำดับนะว่าเมื่อเราปฏิบัติมีสตินำเสมอให้รู้เสมอทำวิจัยเสมอภาคเพียรให้ได้อย่างนี้เสมอ โดยสตินั่นก็คือเอาสติแล้วก็มาพิจารณาต่างๆเรียกว่าสติปัฐาน4เข้าหลักสติปัฐานสนี่แหละเป็นตัวต้นตัวหลักในภาคปฏิบัติใครทำสติปัทาน4ไม่เป็นไม่มีการที่จะถึงวิชาและวิมุตินะผู้จะปฏิปถานสติปทาน4เป็น จึงจะทำให้โพชชงเจ็ดสมบูรณ์เริ่มต้นตั้งแต่สติเพื่อเป็นเป็นแล้วก็ทำสติให้มันเกิดสมโพดชงได้มีเพราะมีธรรมวิจัยสมโพดชงมีวิรยิยะสมโพดชงช่วยช่วยก็จึงมีผลกันไปเรื่อยๆเป็นปิติสมโพดชงเป็นปสัสสติสะโพดชงเป็นสมาธิสะโพดชงเป็นอุเบกขาสมโพดชงก็เป็นฐาน น, านิพพานอุเบกขานะเป็นฐาน น, านิพพานนะ นี่กำลังร้อยเรียงร้อยมาัลไปอย่างละเอียดนะเนี่ยใครฟังเข้าใจดีกะโอ้โหใครฟังยังไม่เข้าใจดีก็ฟังไปก่อนนะฟังไปก่อนนะแล้วก็ดูไปนะฟังไปแล้วก็ดูไปว่าเออมันยังไงร้อยยังไงเรียงยังไงต่อกันยังไงนะเมื่อเราสามารถรู้วิธีการปฏิบัติอย่างที่อธิบายย่อยๆนี้ทาสติปัฏฐานเป็นโพชงเจ็ดก็เจริญ วิชาและวิมุตต์ก็จะเริญนไปตามลำดับแน่นอนโดยการทำให้สุสจริตสามเกิดโดยการสำรวมอินทรีย์โดยมีสติสัมปชัญญะและเราสามารถที่จะโยนิโสมนสิการเป็นนี่เอาวิชาสูตรมดร้อยเรียงประกอบกันเข้าไปกับโพชงเจ็ดประกอบกันเข้าไปกับสุริยปยานข้อ ไม่ประมาทแล้วคุณจะทื่อจะทำโยนิสโสมณสิการแสงอรุณตัวที่เจ็ได้เมื่อแสงอรุณตัวที่เจ็โยนิสโสมณสิการบริบูรณ์คุณก็มีสติสัพัญญะบริบูรณ์คุณก็สํารวมอินทรีย์บริบูรณ์คุณก็ทําให้สุจริตสามบริบูรณ์สติปฐานสี่คุณก็บริบูรณ์โพธชงเจ็ดคุณก็บริบูรณ์วิชาและวิมุตของคุณก็ บริบูรณ์ด้วยประการรัชนีเป็นพระอรหันจอยง่ายไหมมันจะร้อยเรียงกันหมดเลยทุกอย่างมันร้อยเรียงมันเป็นมาลัยที่ซับซ้อนอย่างวิจิตพิสดารมากเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาเห็นแล้วนี่โอ้โหธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ย สุดวิเศษร้อยเรียงสัมผัสสัมพันธ์กัน อ, อัตมาหยิบมาพูดเนี่ยพวกเราจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับและปฏิบัติให้มีสภาวะมีสภาวะแล้วมัน ม, มันจะยืนยันมันจะเห็นจริงนะโอ้โหสุดยอดอย่างผู้รู้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยวิเศษวิเศษโศจรจิ ง, จงนะมันสรุปแล้วเมื่อคุณไม่ประมาทและคุณก็ทาโยนิโสมนสิกการเป็นทาบริบูรณ์ได้ ก็ทำได้สําเร็จเพราะคุณพบสัตตบรุษได้คบหาสัตตบรุษอย่างบริบูรณ์ฟังธรรมะอย่างบริบูรณ์เกิดศรัทธาที่บริบูรณ์โยนิโสมนสิการบริบูรณ์สติสัพชัญญาบริบูรณ์สํมโบรมีสีหบริบูรณ์สัสุจริตสมบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ก็บริบูรณ์โพชฌงเจกบริบูรณ์วิชาแรามิมุติก็บริบูรณ์้วยประกาศฉนีอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันจะต้องชัดเจนทุกอย่างในท่านระบุไว้นี่มันมีสภาวะจริงๆผมพูดนี่ผมไม่ได้ท่องครับเข้าใจครับเอาตัวสภาวะมากําหนดแล้วก็เฮ้ยพยัญชนะตัวนี้บางทีมันพยัญชนะเพี้ยนๆบางแต่สภาวะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สอบสวนหรอกมันมันชัดเจนมันง่ายมันมีบันไดของมันชัดเจนเลยบันไดคือสภาวะเอาบันไดนี้ชื่ออะไรอ่าชื่อ พานทองแท้ชื่อพินทองทาอันนีช้ชื่อบันไดน ะ, ะชื่อบันไดนะชื่อบันไดซึ่งคุณยา่าหรือคุณยายของเขาของในอกเนี่เเขาไปเอามาตั้งชื่อล้านน ะ, oh. ะชื่อพานทองแท้พินทองทา <S <S 2> <S 2> อะไรแพอทองทาน hmm. นี่ชื่อบันไดาสามขั้น oh. ชื่อบันได คือบันไดเพราะมันจะมีบันไดขึ้นไปไล่ตามลําดับขึ้นไปนะแล้วครูลองบอกสิครับว่าคือถ้าเราจะครบกับสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์เนี่ยครบยังไงครับครบยังไงก็เข้านั่งใกล้โง่ไอ้ไม่ใช่ง่เงี้ยเงี้ยขอไปพูดผิดเลยนะอย่างเงี้ยพยัญชนะมันจะสับสนอยู่บ่อยๆเข้าเข้านั่งใกล้ ก็จำนวนของพระพุทธเจ้าเองน่ะเข้าไปพบเสมอต้องเยี่ยมเยียนภิกษุบ่อยๆถ้าไม่เยี่ยมเยียนภิกษุหรือไม่เยี่ยมเยียนภิกษุที่ผู้เป็นสัตตบรุษนั่นแหละไม่คุณไปเยี่ยมเยียนภิกษุที่อสัตตบรุษคุณก็พาสัตตบรุษก็พาคุณภิกษุสัตตบรุษก็พาคุณลงทะเลเยอะๆกันนั้นน่ะถ้าคุณเห็นแล้วว่าโอ้โลกนี้มีสัตตบรุษโลกนี้มีสมุขตาสมาปฏิปัปนา นายเยีมันเจโรกังปรัญจโรกังรู้แล้วโลกนี้มีแล้วสัตบุตรพบแล้วเห็นแล้วนี่ชัดเจนมั่นใจท่านแจกโลกนี้โลกหน้าให้เราเข้าใจได้ปฏิบัติได้โอเรารู้จากโลกนี้โลกหน้าโลกโลกีเป็นอย่างนี้โลกโลกุตรัตเป็นอย่างงี้โอ้ปฏิบัติได้เราก็ได้โลกุตระมั่งแล้วนะอะไรเนี่ยคุณก็จะมั่นใจก็ต้องมันไปพบบ่อยๆถ้าไม่พบบ่อยๆเสื่อมประการที่หนึ่งถูกต้องครับไปพบบ่อยๆเหมือนกัน แต่ไปอะไรก็หมายรู้เข้าไปพบแต่ไม่ได้เข้าไปตั้งใจฟังทำไม่ฟังทำให้บริบูรณ์ไม่ได้ฟังทำให้บริบูรณ์แล้วไปทำไมมให้เสียเวลาเสียแรงเปล่าเปล่ า, ลา <c oughs> ก็ภาคเพียนฟังทำไ Bo Bo ม่บ Bo ริบูรณ์ Bo on, งีงงสดงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง้งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงถงงงงงงงรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ก็รู้สิวโยนิโสมนสิการเป็นยังไงบริบูรณ์เป็นโยนิโสถูกต้องท่องแท้แยกคลายละเอียดลงไปถึงที่เกิดโอ้มนสิการเป็นอย่างงี้มนสิการเป็นอย่างงี้ทำใจในใจเป็นอย่างงี้การทำใจในใจเป็นอย่างงี้พระเยนพูดใดที่ทำใจในใจเป็นก็เป็นเขาต้นเป็นเขาต้นเรียกว่ามูลละสูตรมูลละเป็นเขาต้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีฉันทะเป็นมูลเป็นเขา จบสุริยาปยาเลยนะเข้าสู่โมรุสูแลนะครับคุณก็มีชันทะเป็นต้นข้าวพวกกินดีพอใจโอ้โหอย่างนี้มันต้องเอามันต้องตายเป็นตายตายเป็นตายชีวิตนี้ต้องเอาเนี่ยธรรมาไม่ได้ไปพูดปลุกเราใครนะใครฟังแล้วคุณฟไฟขึ้นก็เรื่องของคุณ ไฟลุกในใจของคุณกเรื่องของคุณอาตมาไม่ได้ไปปลุกเราอะไรพูดพูดธรรมะคือคาถาพ่อครูเนี่ยสังเกตได้จะมีคําว่าตายอยู่ทายประจําถ้าจะสู้อะไรแค่ตายแล้วพูดแบบเน้นมากเลยนะอ้าวนั้นแล้เกิดคือก็ทําไมไม่เคยตายไงก็เอาให้มันจนตายก็ตายเป็นตายสิก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องทําแล้วอ่ะเพราะงั้นเมื่อเราเองเราเห็นชัดเจนแล้วยินดีชันธะแล้วคุณก็จะต้อง เข้านั่งใกล้เงียโซสดับจนฟังธรรมจนกระทั่งศรัทธาจริงโยนิโสมมณสิการก็จะบริบูรณ์โอ้ทาใจในใจที่แยบคลายที่ท่องแท้ที่ลงเป็นทั้งที่เกิดมันทำอย่างนี้เองเออคุณก็จะมาทรมณสิการเป็นข้อที่สองของมูลสูตรคุณก็จะเข้าใจตัวนี้คุณก็จะเห็นจริงตัวนี้เพราะคุณได้ฟังคุณเปิดจิตรับ คุณมีปรโตโขโศฯอย่างที่สูตรเมื่อกี้นี้ที่อิเสบบ อ, อกไว้บ้าเมื่อกี้ตัดไปเลยไม่ได้คุณเสบเลยเมืกี้ปรโตโขโศฯปรโตโขโศฯกับมณสโยนิสมมณสการนะนะเพราะคุณได้ฟังธรรมจากอีกผู้หนึ่งคือสัตตบรุษแล้วม่ได้ฟังได้เข้าใจได้โอ้มีสมาธิิขึ้นมีอะไรขึ้น คุณก็จึงเข้าใจอ๋อโยนิโสมนสิการการทําใจในใจทําอย่างนี้หรอคุณชัดเจนท่องแท้คุณเข้าใจดีแล้วคุณก็ไปปฏิบัติพิสูจน์ตนเพราะถ้าคุณเองคุณกลายเป็นคนที่อาตมาพูดหลายทีแล้วนะคนที่เขายึดทิฐิของเขายึดความเห็นยึดความรู้ของตนและไม่เปิดประตูฟังเลยนะถือว่าคนนี้เป็นศัตรูถือว่าคนนี้ไม่เหมือนเราแล้วตัดทิง้ง อย่างเงี้ยคนนี้พี่ ป, ประ ต, ถถตนะูถ้าของคุณถูกต้องนะเอาก็ดีไปถ้าของคุณถูกต้องก็ดีไปนะถ้าถูกต้องคุณก็เป็นสัตวุรุษ์เองเลยใช่แต่ถ้าคุณไม่ถูกต้องแล้วคุณก็ยึดถือของคุณอยู่แหมสวยนะสวยไปอีกนานเท่านานเลยมันคุณจะต้องพยายามเปิดใจฟังคนอื่นดูบ้างเปรียบเทียบหรือ ว, ว่าศึกษา แม่คนซักนี่นะักมาเลยทันทีว่าสติสัพชัญญาบริบูรณ์คำว่าบริบูรณ์มันขนาดไหนจึงจะเรียกว่าบริบูรณ์ซักจังเลยนะแต่ก็เอาละซักก็ได้ยังมีคําตอบได้เพราะว่ายังไม่ที่สุดแห่งปัญหาหรอกผู้ที่ไม่รู้ที่สุดแห่งปัญหาแล้วถามเลยเถิดเกินปัญหามันหมดปัญหาแล้วยังถามต่อเนี่ยน พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอกว่าอนี่เธอถามเกินเกินปัญหาไปแล้วมันหมดปัญหาแล้วก็เธอก็ทําเลยเกินปัญหาเลยท่านธรรมทินนาพิกคุสุนีก็พูดกับวิสาขาอุบาสสเหมือนกันนี่ถามไปเลยปัญหาแล้วมันจบปัญหาเลยคุณเลยเถิดปัญหาไปแล้ว <c oughs> เอาต่อนะเอาละบริบูลก็ค่อยฟังไปบริบูรณ์นี้ก็ตรงที่ว่าคุณมีสติสัพชัญญะบริบูรลถามตรงนี้ ก็คุณก็ต้องรู้วสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรมันจะต่อเนื่องไปหาสัมปชานโนสัมปชติสั ม, ชสมชปชลติอะไรต่างๆที่อตมาเคยอธิบายมามากแล้วจนถึงสัมปัตะสัมปันนะภาษาบาลีทั้งนั้นภาษาไทยไม่มีก็ต้องขยายหาภาษาไทยมาขยายความนะซึ่งมันก็จะเกิดคุณสมบัติหรือว่าคุณธรรมตามลําดับอันเป็นจริงนะ ทีนี้มาเข้าตรงนี้ซะ ก, ก่อนนะมันจะเยอะอีกโอ้โหมันเยอะอาตมาเศรษฐีบรรอบพยายามจับมาริร้อยร้ยมาลายมารา้ารอยเรียงเรียงโอ้โหมันมีเยอะเยอะดอกไม้เนี่ยน ะ, อะดอกไม้นะฟังดีๆน ะ, ะมีเยอะดอกไม้นะเสร็จแล้วเมื่อคุณโยนิโสมมณสิ ก, การเป็นคุณก็มีเขาของมณสิ ก, การคุณก็เป็นสูตรอยู่ในข้อที่สอง เห็นว่าโอโหอันนี้ดีแล้วยินดีละแล้วลคุณก็ได้ฟังธรรมได้สัตตบรุษไปพบสัตตบรุษได้ฟังธรรมโยนิสมะนสิการเป็นเพราะคุณมีทั้งปรตโตโคสะมีทั้งสมาธิธิโยนิสมะนัสิการเป็นคุณก็เป็นผู้มีสมาธิธิขึ้นคุณก็นํามาปฏิบัติมณสิการทีนี้การมณสิการนั้นทําอย่างไรต้องมีผัสสะเป็นสมุทยัย ต้องมีผัสสะต้องมีการสัมผัสเป็นมัคสมุทัยนี้เป็นมัคนะไม่ใช่ตัณหาตัณหาในเป็นสมุทัยของปรมัตของจิตเจตสิกของอริยสัตว์ส่วนนี้วิธีปฏิบัติคุณต้องมีผัสสะเป็นเหตุสมุทยัยต้องเข้าใจเหตุของมัคเหตุของผลถ้าเหตุของการเป็นจิต ท, ที่จะได้ผลนั่นคือสมุทยัยก็คือกิเลสตัณหา ต้องฆ่าตัวนั้นกําจัดตัวนั้นก็จะเป็นผลดยสมบูรณ์อันนั้นเป็นเรื่องประมาภิเป็นเรื่องจิตเจตสิกเข้าไปอันนี้เป็นมรรควิธีเพราะมรรควิธีปฏิบัตินี้ต้องผัสสะถ้าไม่มีผัสสะเป็นเหตุผิดศาสนาพุทธนี่เรายืนยันจุดตัวข้อนี้ต้องผัสสะเป็นเหตุเมื่อผัสสะแล้วจึงเกิดปรชุมลงด้วยเวทนาเอาฟังตรงนี้อีก อาตมาจะขยายความว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีสติปัฏฐานสี่เนี่กายเวทนาจิตธรรมอันเดียวกันฟังดีๆตั้งกายตรงดารงสติคงมัน่นหายใจเข้าหายใจออกอย่าหายใจเข้าแล้วไม่เอาไม่เอาออกนะหรือหายใจออกแล้วไม่เอาเข้านะไม่ได้นะตายาหายใจออกหายใจเข้าดีๆนะเมื่อเรา มีผัสสะตากระทบรูปเกิดวิญญาณเกิดสามสภาพเหตุปัจจัยผัสสะสามท่านเรียกรวมๆว่าผัสสะสามจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเหมือนกันแหละนะละไว้ในฐานที่เข้าใจเมื่ององสามนี่ประชุมกันขึ้นมันก็เกิดเกิดวิญญาณนามรูปกระทบกันแล้วก็เป็นวิญญาณอ่านวิญญาณเป็น เคราะห์วิจาวิจัยวิญญาณออกในวิญญาณนั่นแหละมันประชุมกันขึ้นเลยว่ากายโดยภาษาองค์ประชุมหรือองค์รวมหรือองค์ประกอบของสิ่งนี้ทั้งรูปและนามกระทบสบัพพตตากระทบรูปแล้วก็มีวิญญาณเกิด น, นะเป็นองค์ประชุมเลยว่ากายในกายในองค์ประชุมนี่แหละนะสัมผัสข้างนอกแล้วมันก็เข้าไปมีมโนมยอัตาศตาอยู่ข้างในมันเป็นสภาพ ธาตรู้ที่เรารู้เป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้กายในองค์ประชุมนี้ต่อเนื่องจากข้างนอกแล้วก็เข้าไปข้างในนะ่ะมันไม่มีมือ ม, มีมีแสงมีตัวอะไรหรอกมันก็เข้าไปเป็นนามธรรมาข้างในคุณก็ไปเห็นสภาพอยู่ข้างในเป็นภาวะองค์ประชุมหรือว่ากายแล้วกายในทั้งหมดนี่ะมันมีเวทนามีจิตมีธรรมอยู่ในนี้ กายในกายพิจารณาเข้าไปในองค์ประชุมนี้มันก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกในความรู้สึกมันเป็นจิตกุศลจิตอกุศลจิตเป็นต้นมันประชุมกันอยู่เมื่อมันประชุมกันมันสังขารกันประชุมกันอยู่ในข้างในนั้นมันดูรูปประชุมกันแล้วมันก็ปรุงแต่งกันมันก็ทาจัดการกันจัดการด้วยอวิชชาจัดการด้วยโง่มันก็เป็นผี เป็นเทวดาหลอกประชุมกันนนั้มันสังเคราะห์กันมันเออได้ไอ้นี่มาดีไว้ไม่ดีไว้งงงเออสุขไว้ชอบไว้ไม่ได้สมใจไม่ชอบไว้จะเป็นลิเกละครเป็นเรื่องราวเป็นนิทานเต็มอยู่ในนั่นอะ่ะเราก็อ่านมันจับตัวจับตนพระเอกผู้ร้ายอะไรแล้วแต่อยู่ในนั้นจนจับผู้ร้ายได้จับตัวการใหญ่ได้คือตัวกิเลสตถาตัวเองเนี่ยมันมันอยากอย่างนี้ต้องการอย่างงี้เป็นหลงยึดอย่างนี้มันจะต้องได้ต้องเป็นต้องมีเองตัวนี้แหละ จับมันมาเฉือนลูกกระเดื่องมันเลยอพยายามกำจัดมันเข้าไปกำจัดมันเข้าไปด้วยวิธีปฏิบัติกำจัดโดยคำพิคำพนักหรือว่ารู้ด้วยวิปัสนาเข้าใจอย่งมันไม่ใช่ตัวเจิงมันไม่ใช่ตัวตนมันมันตัวหลอกมันเป็นอคัิตุกกะมันเป็นมาจากไหนก็ไม่รู้ผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่ในนี้ มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของจริงเลยมันมันหลอกเราแล้วคนเนี่ยแหละพามาหลอกเยอะแยะแล้วก็หลงตามเขาหมดน่าเราจับตัวมันได้แล้วเมื่อเราประหารลัดๆประเด็มันจะยาวไปกำจัดได้ลดลงได้ตามเห็นความเพราะว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันถึงไม่ค่อยยึดถือละถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องยึดถือมั่นอย่าง้แหละคอคุณทาให้มันเที่ยงเองอะยึดเองอะ พอรู้ว่าจริงๆมันไม่เที่ยงแต่คุณน่นแหละพยายามจะให้มันเที่ยงให้มันอยู่ให้มันเป็นให้มันไม่หายไปไหนอไม่ปล่อยไม่วางมันก็กองอยู่ในอนุสัยของคุณนั่นแหละเพราะพยายามเห็นว่าไอ้นี่มันไม่น่าจะอยู่กับเรามันไม่ใช่เรามันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นมันเป็นภัยคุณจะต้องเข้าใจแล้วมีตัวปัญญาเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงมากเข้ามากเข้ามันก็มีพลังขจัดขจัดขจัดเบื่อนายออก เมื่อทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดผลหนึ่งตั้งแต่ความมันไม่ใช่ตัวตนที่เทงแท้แน่นอนนี่รันดอนอยู่อย่างนี้ตลอดการเมื่อไหร่ไม่ใช่ไปไปมามาผลปรปงตนปรุงกันแล้วก็เป็นหลอกตลอดการเมื่อเราสามารถที่จะทําให้มันสลายได้สลายจากความเห็นจริงของอ น, นิจจังไม่เทียงมันก็มาหาวิลาขะมันก็ค่อยๆลดหรือลดได้เก่งๆลดได้มากๆกว่าดีถ้ามันมีพลังงานที่มันสลายได้มากมันก็เร็ว ไปจนกระทั่งมันไม่มีดับคุณก็ตามในความจริงนี่เป็นจริงๆเมื่อมีผัสสะมันจะรวมลงประชุมกันลงเป็นองค์ประชุมเรียกว่าเวทนาเวทนาทั้งกระจกไว้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเป็นเป็นเวทนาสามเวทนาใหญ่ใหญ่อันเกิดจากตากระทบรูเต่าแต่ต้นหูกระทบเสียงเต่าแต่ต้นเป็นวิญญาณและไอวิญญาณนี่แหละวิญญาณผีวิญญาณเทวดามันเป็นวิญญาณสุขขเวทนามันก็เป็นวิญญาณ เทวดาเทร็จชอบใจมันไม่สุขมันไม่ทุกข์หรือมันไม่ได้ตามที่อยากได้มันทุกข์มันดิ้นรนมันก็เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีสัตว์เดรัจฉานงงเงาเงามันก็เป็นก็มันอย่างั้นน่ะเป็นเรื่องของความเป็นสัตว์ความเป็นสัตว์ที่ประกอบไปด้วยฉันท่าเป็นประกอบไปด้วย าราคะประกอบไปได้วยนันทิอะไรที่กาลังผ่านไปเมื่อวานนี่นะเป็นตันหาก้อนเกเรกสัญญยาบอะไรนั้นนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะเมื่อคุณเข้าใจด้วยปัญญาญาณมันก็จะค่อยๆเบาบางสลายสลายไปเพราะมันประชุมรวมมาเป็นเวทนาทางนั้นอนะเดวะสมสาาุสรณามันทบสัมผัสแล้วมาประชุมด้วยอวิชามาประชุมเป็นผีเป็นเทวดาเทวดาก็เทวดาหลอก เป็นผีก็เป็นผีจริงโอ้วโง่ตายชักเลยอัตอมาก็เห็นความโง่ของตัวเองมามากจนกระทั่งไม่เอาแล้วล้วใครจะทำตามก็ทำนะอนุโมทนาใครไม่ทำตามก็ไม่ว่านะก็ไม่กราหน่ำยำยีเราก็ไม่ทำตามก็อยากจะปล่อยไปอย่งงางนั้นโงต่ต่อก็ไม่ว่างนี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถรู้จักองประชุมของเวทนา ซึ่งมันปรุงเป็นผีปรุงเป็นเทวดาปลอมหรืออยู่กลางกลางตอนนี้พักยกอุเบกขาไม่ถูกไม่สุขไม่เป็นผีไม่เป็นเทวดาเป็นกระเทยอันกลางไม่เป็นผีไม่เป็นเทวดาแต่จริงๆกระเทยมันเป็นนะมันจะเป็นกระเทยโนไปทางผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วแต่ไอ้นี่มันจะเวียกระเทยก็ไม่ถูกเนาะอภิยเกตนะเป็นอภิยกกต อันกลางนะแล้วก็ไม่รู้ตัวจนรู้เรียนรู้ว่าโอ้มันพัดยกนี่แหละเรียกว่ากลางเมื่อมันเป็นผีเป็นเทวดาอยู่จนไม่ให้ไม่เกิดผีมาเกิดเทวดามันจึงไม่ใช่พัดยกมันจึงกลางธรรมดากลางอย่างในคัมภีรสิตาอุเบกขานะเพราะนั้นเราก็จะต้องทําให้มันเป็นอย่างที่ว่านี่โดยการปฏิบัติ ด, ดังนี้แหละถึงต้องวิเคราะห์วิจัยไอเวทนานี่ออกไปร้อยแปดก่อนจึงสําคัญ สำคัญเวทนาร้8ยแมโนปวิจารสิทั้งเคหสิตะเวทนาทั้งเนคคามสิตะเวทนา ah, ถ้าแยกเนคคามกับเคหสิตะนี่ไม่ออกแล้วทำตัวเหตุที่มันเกิดเคหสิตะอยู่ตลอดกาลนานเนี่ยมันจะมีชันธมีราคะมีนันทิมีตัณหาอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่แหละ น, นี่แหละเราเอามันละออกได้ออกได้จนไวในคำะแล้วเราก็ต้องรู้อาการของจิตของเราเนี่ยเออมันออกนะมันจางคลายมันลดลงเนี่ยมันมีอาการให้เรารู้อาการนิคิมิตอุเทศคุณฟังอุเทศที่อาตมาขายายความอธิบายไปในคุณฟังเข้าใจคุณก็ไปเรียนรู้อ่านอาการกำหนดนิมิตรูเครื่องหมายของมันให้มันชัดเจน ทุกอย่างมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันอย่างไรอย่างไรลิงคะต่างๆอะไรมันต่างกันยังไงคุณก็รู้ชัดเจนว่าอ๋อไอ้นี่อย่างนี้เองไอ้นี่อย่างนี้เองไอ้นี่มันต่างกันอย่างนี้เองมันคนละตระกูลต่างกันอย่างนี้ตระกูลเดียวกันมันมากมันน้อยมันก็ต่างกันอะไรเป็นต้นคุณก็เห็นความจริงพวกนี้ได้และคุณก็กําจัดมันได้เมื่อกําจัดมันได้มันก็สั่งสมลงเป็นสมาธิในมูลสูตรข้อต่อไปสั่งสมลงไวจิต เป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิสั่งสมลงไปสังสมไปมันก็เกิดเป็นใหญ่เกิดเป็นนายเกิดเป็นหัวหน้าเป็นจิตหัวหน้าของจิตเราเองสมาธินี้เป็นจิตหัวหน้าของจิตเราเองคือคุณสมบัติที่มันประเสริฐเป็นอาริยธรรมนะมันยอดเยี่ยมมันเก่งมันดีมันไปของประเสริฐแล้วเป็นอาริยธรรม มันก็สั่งสมลงตกผลึกลงเป็นสมาธิตั้งมันลงตั้งฌานก็คือการปฏิบัติฌานคือมรรคของสมาธิสมาธิคือผลของฌานเมื่อปฏิบัติเพ่งรู้เพ่งขจัดเพ่งเผาให้กิเลสมันละลายไปได้ลลเลยจิตมันได้หมดกิเลสละลายกิเลสหมดมันก็ตกผลึกตกผลึกตกผลึกตกผลึ ก, กเป็นสมาธิสมาธิเมื่อคุณทำสมาธิได้ดีก็เพราะคุณมี วังเฉามาหัน่นมีคู่ผูค้คู่อัศวินช่วยอย่างสำคัญมาตลอดคือสติและปัญญาุิยะสติและปัญญาปัญญาอครับอสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระในมูลสูตรค ว, วามไม่ใช่ควังเฉามาหัน่นอ วางชามอาหารเหมือนกันนี่ก็วางชาวอาหารเหมือนกันเหมือนกันเลยครับอแต่วังชามอาหารคนละตัวก็อโนนละใช้ยาเราก็เรียกตัวภาษาแทนแทนไปงั้นแหะก็คือมีผู้ช่วยนะสติกับวายามะก็เป็นผู้ช่วยคู่หนึ่งในการทําปฏิบัติมกตักองแปดไอตอนนี้มันปฏิบัติโพชงอันนี้ปฏิบัติโพชงนะมันก็มีสติดะสัมปัญญาอ่า ซึ่พระบารีท่านเรียกว่าเป็นอธิปไตยกับเป็นอุตระสติเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจนะปัญญานี้มันเป็นตัวที่อุตระมันเหนือมันเหนืออะไรเลยเป็นพลังงานที่เหนืออะไรเลยปัญญาอุตระช่วยนับเป็นปัญญาไม่ใช่สามัญไม่ใช่ความฉลาดเชโกไม่ใช่เซกาไม่ใช่ความฉลาดที่โลกโลกเขามีจะเป็นความฉลาดใหม่เป็นความฉลาดอันดีงาม แต่มันเดี๋ยวนี้มันฟันเฟืองหมดแล้วปัญญามันเอาไปใช้ในเรียกความฉลาดผีเพอร์มันก็เรียกปัญญาหมดใช่ใช่ใช่เป็นองค์ประกอบช่วยกันไปหมดแหละนะช่วยถูกต้องนะถูกต้องอยู่ด้วยกันรวมเป็นองค์รวมหมด เพราะเมื่อเราสามารถสร้างสมาธิได้ก็เพราะว่ามีผู้ช่วยมีสติกับปัญญาเป็นตัวหลักนำพาเราตลอดเพราะงั้นคุณมีสติปฏิบัติโดยการใช้สติแล้วตัวปัญญาก็กํากับไปเรื่อยสติปัญญาสติปัญญารู้แล้วก็ทำได้ปัญญาแม่รู้วิธีปฏิบัติแม้ได้ปฏิบัติแม้ปฏิบัติแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจนได้ผล จนได้ผลเก่งจนได้ผลดีจนได้ผลจบเสร็จหมดคุณมีปัญญารู้ของจริงมาตามทุกขั้นตอนเลยจบจริงๆนะไม่ใช่จบหลอกๆจบจนกระทั่งคืบขั้นนิจจังทุกวังสัสะตังวริปริณามะธรรมังอรังไนังอรังกุ ป, ปังคุณก็จะต้องรู้ด้วยตนเองอย่างไม่ประมาทอย่างของจริงอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจริงมีจริงนะถ้าคุณคํานวณผิดคุณประมาณผิดมันก็เรื่องของคุณอีกแหละ ถ้ามันถูกมันก็ถูกของคุณนั่นแหละนะเมื่อได้เป็นผลผลแล้วจงกระทั่งสรุปสมาธินี่มันโอ้มันจับตัวกันนั่นเป็นกั่นเลนะเป็นสาระเลยนะนี่แหละคือกั่นที่ผลที่ได้เรียกว่าวิมุตติก่นที่ได้หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นนี่เป็นภาษาปัญญานิโรธนี่เป็นภรษาเจโตมันดับ กิเลมมันดับสนิทเลยวิมุตเนี่ยมันมันรู้มันเห็นมันมีปัญญามันแจ้งบิมุติมันชัดเจนบิมุตมีโมกมันมีเหตุมีปัจจัยชัดเจนว่าอ๋ออย่างนี้เองปฏิบัติอย่างนี้เองมันลดละอย่างนี้เองมันลางออกอย่างนี้เองมันหมดมันโคเกลียงมันโอ้มันเกลียงได้อย่างกระทั่งมันมันเป็นตัทธตามันเป็นเองเลยนะมันไม่ต้องทําอะไรเลยมันอัตโนมัติเลยมันได้เองได้อย่างแข็งแรงยังไม่ต้อง มันเป็นสิ่งที่เกิดในตนแล้วเป็นวิสัยแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดกาลนานสยะมันอาศัยมันอยู่วิสัยมันอยู่ยังไม่ไปไหนแล้วมันเป็นอยู่มันอยู่อย่างวิเศษแล้วมันอยู่มันเลยทันีีวิสัยประจาทำงานโดยไม่ต้องไปกังวลเพราะมันเป็นเหมือนเรามันเป็นเหมือนตัวเราแล้วแต่แท้จริงก็คืออาศัยวิสัยวิสัยอาศัยอย่างยิ่งนะ มันก็ได้ตัวสำคัญเป็นแก่นสารเป็นเนื้อแท้เป็นสาระคนที่ได้สาระนี่แหละคือคนอมตะคนไม่ตายง่ายๆไม่ตายคืออะไรก็ไม่มีกิเลสแล้วกิเลสมันไม่มาเกิดในนี้อีกแล้วแนละ้วมันจะเอากิเลสที่นี้มาตายกิเลสมันตายสิ้นเกลี้ยงสนิทถาวรยั่งยืนมั่นคงไม่ตายไม่ฟื้น อสังกุปังไม่กลับกำเริบอีกแล้วและไม่ตายแล้วเนี่ยคุณสมบัติที่ได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาหาักล้างมาทำลายอสังหีรังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้เลย อ, อวิปริณามาทำมังโอ้คำสอนพระเจ้าเนี่ยมันรอบรัดบริบูรณ์ครบคันทุกอย่างเลยเพราะเมื่อมันเป็นอมะตะบุคคลคือคนไม่ตายไม่มีกิเลสมาเกิดจึงไม่มีกิเลสมาตายอีกแต่ เรายังมีชีวิตอินรีเรายังเป็นคนมีมีความเป็นชีวิตอยู่มีพลังงานของชีวิตเดวอินรีมีกำลังของชีวิตมีพลังงานของชีวิตยังอยู่ในตัวยังไม่ได้สูญสลายพลังงานนี้ไปก็เป็นชีวิตมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีแต่เป็นผู้ไม่มีเป็นผู้ไม่มีแล้วแต่เป็นผู้มีนี่แหละคือมีอยู่ในโลก โลเกอัติตาซาณโหตินี่แหละเป็นผู้ที่มีเพราะทําความไม่มีนั่นได้แล้วถ้ายังทําไม่ได้ก็เรียกว่าโลเกนัติตาซาณโหติผู้นี้ก็ยังไม่มีคุณธรรมยังไม่มีความไม่มีที่ควรจะไม่ให้มีนะเพราะงั้นถ้าเข้าใจสภาวะอะไรควรจะพูดมีไม่มีนี่อยู่ในมุนวุ่นยังไงคุณพูดไปเลยเอาคนเบียนหัวเลย พูดให้คนเวียนหัวได้นะจริงอัตมาพูดให้คนเวียนหัวได้เอาคำว่ามีก็ไม่มีในมาวลในสภาวะอย่างนี้นอย่างนี้<ข>เอาคุณก็ได้ไม่ล่ะครับเชื่อครับเชือ <laughs> อ่อไม่ต้องพ<ข>ูดองงั้นไม่ต้องมึกไม่ต้องเพราะว่าเจอเข้าไปแค่นั้นมันก็จะนั่นอยู่แล้วครับจะเมาแล้วนะครับเพราะมันมีสภาวะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพ ย, ยัญชนะบัญญัตินี่มันเอามาแทนได้สรุปแล้วเป็นคนที่ไม่ตายเพราะเราเองเราควบคุมตัวเราเองได้เราจัดการตัวเราเองได้ เราจะให้จิตเราอยู่หรือเราจะให้จิตเราหุดเลยทีนี้เราไม่ใช่ไม่ตายแล้วตายสนิทเลยก็ได้เป็นปรินิพานเป็นปริโยสานเมื่อจะทําปรินิพานเป็นปริโยสานเมื่อนั้นก็คือเมื่อนั้นถ้าทําปรินิพานเป็นปริโยสานแล้วมันเลิกเลยนะทีนีมันไม่มีอะไรกลับคืนอีกแล้วนะเหมือนกิเลมันตายสนิทนั่นแหละ มันก็ไม่มาต่อตัวมันเกิดใหม่อีกไม่ได้ตัวกิเล่มันตายตอนนี้ไม่ใช่กิเลสตายเลยอัตตภาวะที่เป็นอรหัตตภาวะหรือเป็นอัตตาตัวที่ไม่ลึกลับของคุณแล้วคุณไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาอรหัตตาอรหะมันไม่ลึกลับคุณไม่เป็นคนที่ลึกลับในความเป็นอัตตาของคุณแล้วคุณแจ้งจบในความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอัตตามาอาศัยคุณก็ใช้อัตตาอาศัยไป อาศัยอัตตนี้สักแต่ว่าอาศัยอัตตาไม่ได้มีความหลงผิดหรือหลงไหลที่จะหลงติดว่ามันจะเป็นเราเป็นของเราแต่อาศัยมันจึงอยู่เนื้อมันเป็นผู้อยู่เนื้อมันเพราะคนที่เป็นอมตะ บ, บุคคลจึงเป็นคนที่ต้องจ ร, ริงไม่จ ร, ริงคุณไปสมมติตัวเองไม่ได้หรอก mm. มม น, นะสมมติคุณก็เสร็จนั่นะเสร็จอะไรทุกอย่างละ เพราะคุณเมื่อจิตมันสมบูรณ์ขึ้นมาขั้นมีแก่นสารสาระเรียบร้อยคุณก็ยั่งลงในความเป็นมนุษย์อัตมนุษย์อมตะเป็นมนุษย์อมตะเป็นคนไม่มีตายไม่มีเกิดจริงๆมันมีทั้งไม่มีตายและไม่มีเกิดหรือมีทั้งตายมีทั้งเกิดเห็นไหมพยัญชนะนี่มันหมดละไม่มีไม่มีพยัญชนะใช้อันไหนก็ได้เป็นคนเป็นไงคนตายแล้ว เออไม่ใช่คนเกิดแล้วคนไม่เกิดได้คนไม่ตายได้ทั้งนั้นเอาไปยัญจันทร์ตัวไหนมาใช้ได้หมดเลยแล้วคุณจะทันผมบ่ไม่ละครับเห็นไหมไม่ทันเพราะเอาตัวไหนมาใช้คุณก็ทันผมไม่ได้เพราะผมใช้ตัวนั้นจริงไม่ได้บลองนะไม่ได้ใดนั้นคือคนไม่เกิดคนไม่ตายผู้ที่จะใช้ได้อย่างนี้ต้องมีสภาวะที่ไม่มีสภาวะคุณก็พูดไม่ถูกด้วยครับคุณเคยได้ยินมาก่อนยังไงไม่เคยครับอ่านเห็นไหม แล้วผมเอามาจากไหนมาพูดอะบรรยายไว้ในพัตตบิดกไหมขยายความอย่างที่ผมขยายมีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นพ่อครูมาอย่างไหก็ต้องบอกพ่อครูต้องบอกผมที่เขงเองคนตรเองครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อกือสั่งคุณเถอะผมไม่งอนนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่งออยู่แล้วครับอย่างนั้นยิงจะมัดเลยครับเพราะว่ายิงชะบัดเลยไม่งอนนะงอไม่งอไงมันคืนอยู่ตัวผมอยู่แล้วจะเซื่อใช่คุณพูดถูกมันงอไม่งอนก็คืออยู่ตัวผมถูกต้อง นะผมก็ไม่งอคุณเหมือนกันตอค น, น, ต, คนต่างมีศักดิ์ศรีเนา ะ, <ม>ะเพราะงั้นก็อมตะนี่ก็ขยายความให้ฟังขึ้นงั้ผู้ที่เป็นอมตะคุณยังจะเป็นพระอวโลกิเตศวรจะช่วยคนในพ้นวัฏสงสารไปเป็นคนสุดท้ายท่านจึงจะปรินิพานนิมนต์นิมนต์เลยพระอวโลกิเตศวรสาธุอนุโมทนา ท่านประเสริฐสุดแล้วท่านทำไปเถอะคนทั้งโลกนี้เอาให้หมดโลกคนสุดท้ายแล้วถึงจะปฏิญญาผานโอ้โห oh oh. ผู้น้อยไม่เอาด้วยผู้น้อยขอเป็นพระพุทธเจ้านะไม่เอา ส, สองสมัยด้วยเป็นพระพุทธเจ้าสมัยเดียวขอบายแล้วครฮะไม่รู้คุณจะเป็นไปได้หรือไม่ได้กับตัวของคุณอาตมากับตัวของอาตมาจะเป็นไปได้หรือไม่อาตมาก็ว่าองอาตมาที่ คุณอยากเป็นมั่งคุณก็เอามั่งอ๋อเอาก็เป็นจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้คุณไม่ต้องไปคิดใหหัวแตกเลยถ้าจะเป็นไปได้ก็เป็นตัวของท่านนะท่านจะตั้งปณรทิยานั้นหรือท่านจะไปปลดปณิธานั้ท่านเมื่อไหร่ก็เรื่องของท่านนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวคุณจะไปยุ่งอะไรทําไมอย่านะอย่านะอย่าใส่กอไก่เข้าไปนะเสือก็ปเป็นเสือนะอย่าไปยุ่งกับเสือเข้าไปเอากอไก่ไปให้เสือก็าไม่เอาอย่าอย่าไปยุ่งกับเขา ปล่อยเขาปล่อยท่านมันเป็นอุดมคติที่วิเศษใช่ไหมะละ่ะเท่านี้เราก็พอแล้วนี่จะมีหรือไม่มีก็แปลกอะไรละ่ะคุณอยากจะทำอย่างท่านบ้างเอาที่ทำให้มันได้ก่อนนะเป็นอหรหันต์ให้ได้กไอนนะ้มีสาระแก่นสารก่อนแล้วคุณก็กทําำถ้าจะทำจริงๆแล้วคุณจะทนไหวไม่ไหวคุณไม่รู้นะเพราะงั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ขนาดเป็นมหาโพธิสัตว์เป็นปัจเจกโพธิสัตว์แล้ว เป็นปัจเจกคสมาสมุทธะแล้วยังไม่ได้ตัดสรุปไม่ใช่ไมยังไม่ได้ประกาศาศาสนากับเขาไม <s> ่ไหวแล้วบายไม่เอาอีกแล้วยังขอป ร, รีทายตัวเองปณิธานไปก่อนเยอะนะเพราะงั้นถึงบอกว่าทุกอย่างาคุณอย่าคิดเลยคุณปฏิบัติไปเถอะ ถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจอะไรต่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าใจไม่ได้ง่ายๆนันเป็นอาจินไตมันทําให้เราสงสัยเลยครับอ่าสงสัยอะไรอ่าถามมาเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทไงอ่ผมยังไม่เป็นใช่ไหมอ่าคือคุณเป็นได้บ้างแล้วโซดาบันเนี่ยอ่าคุณเองเนี่ยเป็นเป็นแล้วโสดาบันนี่ผมเป็นพยากรณหรอกครับอ่คุณก็มีจิตของคุณได้แล้วสามารถที่จะรู้ระดับของโสดาบันซึ่งผมก็เคยย้ายให้ฟัง มาบ้างแล้วมาเริ่มต้นตั้งแต่คุณมีกายคุณรู้จักกายนะรู้จักกายในกายรู้จักเวทนาในเวทนาขึ้นมาอ่านจิตออกนะเสร็จแล้วคุณก็สามารถกําจัดกิเลสในจิตได้บ้างนะแล้วเป็นผู้ปฏิบัติขั้นสมปทานเนี่ยพอไปปฏิบัติประหารได้เนะีย่ยองที่อธิบายมันก็ประหารได้บ้าง ประหารแล้วคุณก็สามารถที่จะเกิดผลเป็นพาวนาประทานก็รักษาผลไปเรื่อยๆคุณทำได้อย่างนี้จริงคุณเป็นโสดาบัรแล้วมีผลมีมักมีผลแล้วนะแต่ถ้าเผือว่าคุณเองคุณสามารถรู้กิเลสรู้แต่กำจัดยังไม่ได้ยังประหารยังไม่ได้คุณยังไม่เป็นโสดาบัณคุณยังไม่มีผลประหารไม่ได้คาอยู่ที่ต่อให้มีสังโยชนึงสังโยชน์สอง นะสามารถที่จะรู้ตัวสักกายะแล้วไม่ตัวชัดโลจริงเลยไม่ไม่สงสัยเลยตัวนี้แต่ตัว before, ไอโจนแน่เลยแต่คุณก็ยังห ล, ละเลน่นเล่นโอ้เอาเรียกไอโจรมากินก็วยข้าต้ idor, มกุยร่วมกันเล่นอยู่นันลเล่นเล่นหัวหัว อ, อยู่กับไอโจนหลวบๆคลำๆหล่อๆแหลกกั ского, มันอยู่นั่นน่ะเอ็นดูอยู่นั่นน่ะเอ็นดูโจร ั <c oughs> I mean ไม่ทาลายโจรทุกทีห น, นึ่งเนี่ยสี่เซโรตับรามาได้รูปคำๆหลอ่อๆแหละจะจับตรงตองอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เห็นหน้าเห็นตามันแล้วรู้ตัวมันแล้วครับคุณก็ยังไม่เป็นโสดาปฏิผลทุกทีอ่ะ <c oughs> นี่เป็นโสดาปฏิมาศแล้วแยกออกไหมล่ะ <c oughs> อาการพวกนี้เนี่ยแม่พูดขนาดนี้แล้วยังเข้าใจอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็เข้าใจภาษาไม่ได้แล้วเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันอ Let i อ be บีครับคือเข้าใจว่ า, าใครใครก็ช่างใครเล็ดอิดบเอาทําเอาเองอย่างพ่ะครูเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็มีพลังใช่ไหมครับที่จะเสียสละเพื่อมนุษยชาติ อ, อาวนี้ว่าก็ผมก็เดาเอาอะเดาได้เดามาเถอะเดาถุง เ, เด า, เดาปิดผม <laughs> บอกให้เดา ว, ว่าก็น่าจะเป็นพระเจ้าได้ใช่ั้มคือยังไม่ถึง คก็มันเดินอยู่ผมเดาไงใช่เป็นบริษัทก็ยังไม่ถึงแล้วก็เดินทางอยู่เนี่ยเท่าที่มันไม่น่าจะรมไม่น่าจะดีทยกลางคันใช่มเพราะว่าตอบไม่ได้ผมก็ยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าจะรีทายหรือไม่รีทายกลางคันแต่ว่าตอนนี้นี่ผมเป็นนิยตตาบริษัทที่ผมสอบได้แล้วเข้าอยู่สู่ในมหาเวียลัยพระพุทธเจ้าแล้วเรียบร้อยมีสิทธิ์ที่จะทาเองได้เลย และผมเองอยู่ในฐานะที่ว่าผมมีคุณสมบัติผมบอกได้เลยว่าคุณสมบัตินิยตานี่คือไม่มีความมันมีนิจจังทุ่ังศัจตังอวิปริณามธรรมังเพียงพอที่จะไม่ตกหล่นไปกว่าอันนี้มันเลยขีดนิยะหรือนิยตะอย่างโซดาบันเนี่ยโซตาโซตาโซตาปณนะอวินิปปทาธรรมนิยะตะ มันแน่นอนแล้วมันเกณฑ์75เปอร์เซ็นต์แล้วเลื่อนขึ้นมาถ้าเป็นมหาโพธิสัตว์ก็ไปเป็นเลย75ขึ้นไปผมอยูระหว่าง75กาลังมาจัเต็ม75ไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่50ละไม่ใช่เลื่อนลงละมันแน่นอนอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอยาพูดเป็นเล่นไปนี่รีทายได้แต่ไม่ตกต่าแล้วไม่ต่าก็า50ละ ก็สงสัยตรงรีทายเนี่ยครับว่าคื อ, อรีทายเป็นส่วนตัวไง ค, คื อ, อเราไม่มีคุณสมบัติออกคอไปไม่มีโทษโซโทษสมบัติไม่มีความเลวร้ายที่จะหักล้างได้ไม่ไม่ทำเลวทาร้ายไปกว่านั้นอีกแล้วจริงเพราะฉะนั้นจะไม่ตกต่ำโดยตัวเองแต่ตัวเองไม่เอาตัวเองบอกเลิกตัวเองลาออกเองนี่รีทายตัวเอง ค, คือความบริสุทรั์ คือ <laughs> อย่างว่าผมจะจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับ อ, อก็ต้องมีความมุ่งมั่นท่านโพลิสัตย์ก็ต้องมาสอนเราว่าเอออย่าท้อนะออถึงเป็นอรหัตผลให้ได้อทีนี้พอเป็นอรหัตผลแล้วเนี่ยเป็นโพลิสัตย์ที่เต็มตัวเต็มพิกัดเต็มที่ออวิ่งเต็มที่ก็ไม่น่าจะมีความวาเ อ, อ้ยความเป็นผู้เจ้าก็น่าจะได้นี่ผมเดานะใ ช, ออใช่ใช่ช่ถูกสิผมก็ยังไม่อาจจะยอมแพ้นะผมก็ยังออน่าสิ แพ้ก็แพ้ชะตาสามแต่ดวงใจยงส่งความมั่นคงเนี่ยไม่ไม่ยอมแพ้ก็แพ้เหตุปัจจัยอะไรต่างๆไปตามที่มันเออวันนี้สู้ไม่ได้แพ้พบอกว่าแต่จิตไม่มีหยุดมุ่งมั่นทําไมบอกเลิกซะครับอันนั้นอะไรเราตอบยังไม่ได้ไงคือได้องค์อื่นที่บอกมาเนี่ยครับคือทําไมบอกเลิกซะเพราะว่าไม่น่าจะบอกเลาตบอกแล้วว่าเป็นปัจเจกสมมาสมุทธาแล้วท่านยังบอกเลิกผมยังไม่ได้เป็นปัจเจกสมมาสมุทฐานะครับ คือใจผมถ้าผมเป็นผมคงไม่บอกเลิกสมุดนะเอาเลยเอาเลยสาทุอนาโมธนาเอาเลยแต่ผมยังยังไม่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยไงถึงไม่รู้ว่าคุณไปถึงนั่นคุณจะตอบได้เองตอนนี้คุณพูดอย่างนั้นดีแล้วเมื่อกล่คนไฟแรงมาเนี่ยโอ้โหยังเอาตายตายตายมาบวชประพบบอาตมาบอกมานี่มาตายนะครับครับผมมาตายครับนี่ออกไปหลายคนไม่ได้เผาให้เลยถ้าตายแล้วอาตมาเผาให้ไม่ว่าผมเผาไอ้นี้ไม่ได้ตายเลยหนี้ไปเองนะผมมาตาย าปากมันคงเป็นอย่างเดียวกันน ะ, เ พ, ะเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นผมก็เลยไม่เข้าใจเพระาะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นไฟแรงตอนนั้นโอโ้โหมันตายจริงๆตายครับผมผมเอาม า, มาตายแล้วเอาชีวมาตายด้วยแล้วเสร็จแล้วเอาไปเอามาไอ้จะเอาไปเอามาแล้วเนี่ยไม่ตายไม่ตายกลับ <c oughs> นี้ <c oughs> นีเลย <c oughs> <c oughs> ไปตายในโลกโล ก, กีหนึ่งในพันไหน หนึ่งในพันยังไงหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจหนึ่งในพันทุกคนหนึ่งในพันทุกคนว่าคุณไม่ใช่หนึ่งในพันคือยังไงโอ้ยมันจะไปนับตัวเลขพันสองพันอะไรอะไรก็จะไปบอกได้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันมีคุณจะไปนับคนนับตัวพระโพธิสัตว์ได้เล้วคุณว่ามีมีพันเดียวท่านไม่มีก็ตัวเลขตายตัวลง เท่ากับไม่มีตัวเลขตายขนาดพระพุทธเจ้ายังเท่าเมล็ดขวดระเ็ดทรายโพธิสัตว์นี่จะคงจะมหาศาลเลยครับมหาศาลเลยละที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยืดยุนไอ้ที่ตายไปก็ตายไปเออรี่ดีทายก็เอยดีตายไปครัไอ้ที่มันเป็นไปต่อก็เป็นไปต่อแสดงว่าที่ผมสงสัยเนี่ยผมต้องเป็นซะเองผมจะเข้าใจเออนั่นแหละถูกต้องยังไม่เป็นเองก็ถามไปก่อนอไม่เป็นไรก็ตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็คือตอบไม่ได้ก็เล่าสู่ฟังไปนะ สรุปแล้วเราพูดถึงอมตะบุคคละนะบางคุณก็จะรู้ว่าความตายหรือไม่ตายเนะี่ยมันคืออะไรเห็นไหมมันมีเยอะแยะเลยอ่าก็เข้าใจไปก่อนเป็นปริยัตเป็นความเข้าใจทางทิฏฐิเมื่อปฏิบัติจริงคุณจะถึงรู้สภาวะของความเป็นจริงว่าอ๋อเป็นผู้ที่เป็นไม่ไม่ตายเพราะงั้นผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วผ่านปิมุตต์แล้ว ผ่านนิโรธแล้วขยายแยกให้ฟังแล้วนิโรธคือตังจิตเจโตอกุศสลจิตมันดับมันดับแล้วจิตของท่านก็มีอยู่เพราะว่าจิตของท่านก็รู้ว่ามันดับเป็นีิมุติยานทัศนะเห็นว่ามันดับมันหลุดพ้นไอ้ตัวนี้มาแล้วไอ้ดับก็ดับไปแล้วตายไปแล้วศูนย์ไปแล้ ว, ลวตัวท่านมีอยู่ท่านก็เป็นผู้หลุดพ้นจากไอ้ไอชั้นต่านั่นแล้วหลุดพ้นมาจากชั้นต่าแล้ว เรียกว่าสัมปชัดสติหลุดพ้นสัมปชติสัมปันนะเข้าไปถึงอันใหม่เข้าไปสู่โลกใหม่โลกเจริญโลกสูงแล้วจนถึงขั้นไม่ตกต่าจนถึงขั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทําลายอสังหาริมทรัพย์กุง ป, ปังนันบริบูรณ์มันเป็นสัจจที่มันเป็นจริงได้ใครเป็นจริงถึงเหตุปัจจัยพวกนี้มีเหตุปัจจัยอันอย่างนี้ครบ มันก็คือสัจจ์อันนี้ถ้าคุณยังไม่มีสภาว่าคุณไปเข้าใจตัวเองผิดมันก็ผิดอ่าเพราะงั้นเผื่อพอไว้ให้มันเหลือว่าโอ้โหมันเกินที่จะตั้งมั่นแล้วนะเนี่ยอ่ากลายเป็นโอ้โหเผื่อไว้ตั้งดับเบิล ต, ตั้งมัน่นทริปเปลิลตั้งมัน่นโอ้น่นนะเผื่อไว้เลยอะไรก็นี่แล้วแต่เผื่อไว้ดีนะ เพราะงั้นพูดที่สามารถเห็นจริงอ่านที่พูดนี่มันต้องมีสภาวะแน่นอนที่จะต้องอ่านจริงตามญาณคุณอ่านรู้อ่านเห็นขออภัยที่พูดจีความจริงผมเอามาพูดนี่ผมก็เอาสภาวะของผมจริงๆมาอ่านผมไม่ได้อ่านจากตำราไม่ได้เอาของใครมาของใครก็ไม่เห็นให้เอามาให้พูดได้เลยผมนีงก็ยังไม่เห็นของตนเอง พ, พูดไปแล้วว่าน้ามันใส่ตัวเองม า, ามาอวด คือคนที่พูดจากภาษากับคนที่พูดจากสภาวะนี่เราจะรู้สึกต่างกันเราฟังครับเพราะว่าคนที่พูดจากภาษาเนี่ยมันจะตันถ้าเราซักอแต่ผู้จากสภาวะเนี่ยท่านจะตอบได้ภาษะสอนไปโอ้โกลมกลิ้งเลยพูดที่มีสภาวะเนี่ยจะบอกมีหรือไม่มี2ตัวนี้ทำให้กลมกลิ้งเลยคุณจะพูดภาษาตายหรือไม่ตายเนีผมก็กลมกลิ้งได้อธิบายให้เราได้เข้าใจได้แต่ขอรับรองว่าไม่ได้พูดหลอกกลวงโกหกตอแหลแน่นอนกลมกลิ้งนี่มายควาว่ามันจริงๆมันสัจจาแล้วมันนัดที่อุปมา มันจะไปเพียบเทียบกับอะไรก็ไม่ได้ไปยึดจุมัน่นถือมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้เพราะถามมุมไหนเพราะครูก็จะตอบได้อธิบายได้เลยใช่มันรู้รรครบรู้รอบรู้กว้างรู้สมบูรณ์หมุนไปตรงไหนก็บอกได้ทุกมุมเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีสภาวะจริงเนี่ยมันจะตันใช่ถูกนู้นถามบ้างนี้ถามบ้างแล้วเดี๋ยวก็ตันทางใ ช, ใชม่มันจะไปไม่รอดโอ้นี่พูดท้าทายเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเธอคนจะมาเดี๋ยวนาแน่วันแน่มาสินายก็มาปักกิ่งว่า สมัยพระพุทธเจ้าปักกิ่งว่ามาถกปัญหากันครับเพราะว่าผมเทียบกับตัวเองอะถ้าเราไม่มีสภาวะแล้วดูรัตภาษาเนี่ยพอเขาถามปุ๊บเราตังละเราตอบไม่ได้เพราะว่าเราเฮ้ยเราไม่แน่ใจแล้วว่าเอมันจริงหรือเปล่าใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพูดไปอัตมาแสดงท่าทางลีลาพุ่มเสียงสำเนียงภาษาแสดงตัวเองโอ้โหหน้ามันไสนะขออภัยนะ หน้ า, น า, นามันใสสำหรับผู้ศรัทธาผู้เข้าใจแล้วไม่มีอคติกับอัตมาเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่ยังมีอคติอะไรกับอัตมาอยู่ต้องขออภยัยจริงๆอัตมาไม่ได้ว่าคุณอคตินะแต่คุณมีจิตอย่างนั้นจริงๆคุณก็อาจจะไม่เอ้ยมันคุยอยู่ได้ม่อเขออภยัยอัตมาไม่เจตนาจะทําให้คุณไม่สบายใจที่เกิดอะไรหรอกมันเหมือนกับถ้าเกิดเป็นพวกเรากันเอง<ม>ใช่ไหมครับสแสดงอุตริมธรรมเนะี่ย คือถ้าพวกเราเองมันจะมันใสกันแต่นี้มันก at bon ็ออกเดี๋ยวเวลาก็ถ่ายทอดออกแล้วนี่ก็อัดเอาไว้อยู่แล้วมันวันหนึ่งก็ต้องไปออกอยุติได้แล้วยังไปซื้อดัตต้าเบทมาอีกกอโหนี่คุณก็จะเก็บไว้อ่ามีครังครังสมบัติจะเก็บไว้สาหรับเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ไปประกาศต่อไปแต่ผมว่าก็คือนานไปเนี่ยความจริงเหล่านี้มันก็ต้องแสดงให้ปรากฏก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าผมก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรหรอกไม่ได้เกรงกลัวอะไรหรอกเพราะว่าความจริง คืออาตมาก็คือผมนี่มันสบายใจตรงนี้ผมไม่ได้มานั่งหลอกลวงไม่ได้มีอักขุศลอะไรนะแม้แต่อยากอวดก็ไม่ใช่อกุศนที่บอกว่าอันนี้มันไม่มันมันผิดแล้วก็เอามาพอจะยืนยันว่าถูกมันไม่ใช่ถ้ามันจะมีสิ่งที่ไม่ดีจริงๆก็คือความไม่รู้ของตัวเองจริงๆที่ยังนึกว่ามันถูกอ่ะถ้าเรานึกว่ามันถูกมันจริงนะ แต่มันผิดอยู่นะมันมันเป็นกานหลงตัวเองอันเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไม่เอาผิดหรอกเพราะมันจริงอะ่ะท่านมีภูมิเท่านี้ท่านก็แสดงเท่านี้เหมือนกับเราเห็นเด็กไม่เดียงสาก็แกมีภูมิเท่านั้นอะ่ะแกมีวุฒิภาวะเท่านั้นะแกก็แสดงงี้ออกเราก็อภัยอภัยเช่นเดียวกันอะ่ะไปถือสาไม่ได้อ่าถือสาคนบ้าถือสาคนเมาถือสาคนเด็กเล็กไปเดียงสาอ่าถือสาไม่ได้ ซื้อซากก็เราก็บาด้วยเ ท, ท่านั้นเองเท่านัหมเก็ต้องอภัยต้องอก็ต้องมันจำเป็นมันเป็นวิสัยของเขามันสุดวิสัยดัะนั้นอยู่กับผู้ที่สภาวะสูงหรือว่าเป็นบริษัทเนี่ยพวกผมเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าการล่วงเกินคือกริยาต่างๆนันานอานะไม่อยากให้เครงครับไม่อยากให้เครงก็ต้องระวังก็บ้างเรารามาระวังบ้างก็ทํารวมระวังก็อันนี้ไม่ว่าบริษัทจากของใครของใคร เราเขารู้ว่าอันนี้เราก็น่าเคารพนับถือยำเกรงเขาเรียกภาษาไทยว่ายำเกรงเราก็ยำเกรงแต่มาถึงขั้นเกรงไม่ต้องเกรงแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครเกรงทําไม่สบายมีความยำเกรงอันนี้มันเป็นลักษณะที่คุณจัดสรรค์ของตัวเองนะว่าเรามีความยำเกรงแต่เราไม่ต้องถึงเกรงมันก็ได้ดีว่าพ่อครูไม่ทําให้ผมคงเกรงนครับก็เป็นความเป็นความพยายามของผมอยู่ผมพยายามให้คน มะเกรงกับผมแต่ก็ก็มีความยำเกรงมันก็น่าจะดีใช่ไหมก็ไม่ได้มาอยากจากได้ความยำเกรงหรอกไม่อยากให้ใครบาเกรงมากลัวอะไรหรอกแต่เป็นภาษาว่าเออมันเป็นคนชนิดนี้มันก็ดีทั้งเองเพราะว่าพราะครูก็ปล่อยตามธรรมชาติาแต่ว่าเราก็ต้องระวังอย่าเผลอใช่ใ<ค>อะไรเป็นตัวใครตัวมันครับควรจะสํารวมระวังอย่างไรแล้วก็ของเราครับเพราะว่าสิ่งสิ่งเรานี้ย ม, มันเหมือนกับ ถ้าเก็โดยทั่วไปสํานักต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ บ, บูชาแต่ต้องยากใช่ไหมครับแต่พราครูอยู่กับพวกเราเนี่ยเหมือนกับแต่ต้องได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็สบายๆเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีอะไรอยเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยิ่งระวังมากขึ้นเพราะว่าเป็นปัญญา <ๆ S 1> ของเรา<ๆ>ที่เข้าใจแล้วก็กทําตามที่เราเข้าใจคนนี้ก็จะมีประมาณไม่ประมาทแต่คนไหนที่เขาไม่เข้าใจอ ย, อย่างนี้เขาดูถูกดูแคลน เขาไม่ต้องประมาทก็ไม่ต้องประมาณเขาลาบระลวงเลยไม่ย้ำเกรงเลยมันก็เป็นธรรมดาครับออย่างคุณสะอาดจันดีงี่เป็นต้นโอ้ไม่ฟังเสียงเลยหล่อแหลกเลยซับตมาโอเสื้อตะมาก็ไม่ได้โกรธเคืองแกหรอกก็เห็นใจแกแต่ว่ากรรมของแกทํามันก็เป็นกรรมของแกมันก็เป็นกรรมจริงเป็นสัจจะตัวนี้มันน่าสงสารเขาไม่รู้เขาไม่รู้ก็ทําอะไรนะอยังคนไปละลาบละลวงพุทธเจ้าอย่างเงี้ย พระเทวทัตไปละราบบรรลุรลงพระปุรจ้านางจินจำมานไปกาไประลาบบรรลุงพระเจ้าก็ทำไงได้ก็ถูกออดินสูบตายมันก็เป็นธรรมชาติใช้ํานวนนะดินสูบตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใช้สํานวนว่าดินถูกแผดินสูบอะไรแล้วแต่นะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจของมันที่เป็นอจินไตที่อธิบายไม่ไหวละอเอา เ, าเรื่องใหม่ดีกว่ามันไป มันจบแล้วอธิบายไม่ไว้แล้วขยายไม่ออกแล้วเป็นอจินไตแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็เรื่องอมตะนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่าที่สุดพ่อครูอธิบายมานี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจขึ้นไม่มีใครคล้องใจอ่าถามอ่้เขาถามอ่าตอนนี้ถามได้ดีละถามเลยอมตะอ่าอธิบายไปเยอะแล้วอ่าเเดี๋ยวเอามาไมโครโฟนเขากำลังจะอ่าบริการไมโครโฟนพวกเรานี่ดีนะคนละไม้คนละมือมีกระใจมีน้ําใจ ช mm. uh. ่วยเลือกกันให้มันเกิดประโยชน์คุณค่าเอาเปิดไหม่เอาเอาเลยเอาปอดเสียงยังไมโครโฟนใบไม้ลอยมันขึ้นถึงที่สุดยังเจมเปิดแล้วเปิดแล้วเออเอที่เปิดแล้วแต่ทางนน้นมัเปิดได้ยังไมันเปิดไม่ยังไม่สบุบปุ่มมันตัวไหนล่ะเบอร์อะไรสายอะไรเบอร์สี่เอ ไม่รอเบอร์สี่เคี่ยมันหน่อยจี้จุดมันหน่อยที่มันดันไม่ถึงสุดๆอ่ะมันดันไม่ถึงที่มันก็ได้เมื่อสวิตไฟนีออนที่ในห้องอาตมาพักเราเปิดแล้วมันไม่ก็ติดต้องกดอีกทีนึงมันถึงจะติดกดทำอีกทีครับผมเมื่อกี้ถามของพระอวะโร อวโลกิเตสวนอวโลกิโตสวนนี่เป็นพระพุทธเจ้าเปล่าครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะเป็นปัจเจกเป็นปัจเจกแล้วได้ส่วนตนและได้เฉพาะตนแล้วได้สมมาสมบุตธธิส่วนตนแล้วสมมาสมบุตธธิส่วนตนก็มีขั้นตอนมีลําดับต้นกลางปลายมีความเป็นจริงมีน้ําหนักของการสะสมความเป็นปัจเจกสมมาสมบุตธธิอยู่ในมหาโพธิสัตว์ขึ้นไปเป็นสมมาสมบุติเนี่ยเลยก็ไปสู่อนุตตรสัมมาสมบุตธธิ ถอนุตราก็ถือให้คนเดียวคือพระพุทธเจ้านอกนั้นเป็นปฏเจกสมมาสัพพทาก็ลายลําดับขึ้นไปเร่อยๆขึ้นไปหาว่าเป็นอนุตระอนุตระแปลว่าสูงสุดจนไม่มีที่จะสุดอีกแล้วอนุตระอันหนักกับอุตตระเนี่ยคืออุตตระจนไม่มีอะไรอุดอีกแล้วอุตระเหนืออันหนแปลว่าไม่ไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกแล้วอนุตตระนี่เป็นต้นแต่พระอรหันต์พระโพธิสัตว์ที่ก็ผ่านสบายแล้วใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับงั้นผมผมผมผมเชื่อครับเชื่อว่าท่านต้องทําได้ครับอ่าแล้วก็ที่ว่าต้องทําได้เนี่ยผมคิดว่าสังอามันจะต้องถึงยุคที่ว่าเนี่ยครับอย่างที่พระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าครับที่ว่าพอฟังธรรมแค่สาประโยคสี่ประโยคใช่ไหมครับผู้มีบารมีแล้วอ่าเป็นบารีเมรแล้วนี่แหละความไม่เข้าใจอย่างคุณภัยารพื้นมงคลมาถามาตมาว่า ผมก็ศึกษาผมก็อ่านผมก็ดูผมก็ฟังผมก็ศึกษามาหนักนะเนี่ยพระไตรปดกนี่จนเท่าไร่ก็ดมเรียบเรียงเขียนจนได้รางวัลว่เ อ, อเขียนเรื่องของธรรมะนี่จนได้เล่มรางวัลเลยนะเ อ, อ๊ะทาไมผมไม่บรรลุโสดาบันทักทีทําไมพระยศฟังทำกันเดียวเป็นโสดาบันแล้วฟังสองกันเป็นอรหรันต์จอยว่าอยัง ไ, ไ, ไงผมไม่รู้ไม่เข้าใจมาถามมาตมา อัตอมาก็ต้องอธิบายสู่ฟังว่าอ น, นันแลคุณไม่มีบารมีคุณมีบารมีอย่างพยสสะท่านฟังปุ๊บท่านเก็เข้าใจปุ๊บท่านเกิดปาผ่านเลยเพราะที่ท่านอธิบายพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเทศสูตรแรกอนุปพิคาถาอนุปพิคาถามีฐานศีลสักขะกามทินวะเนคมะห้าหลัก คุณเองนะคุณไม่มีมีบารมีคุณเข้าใจสักขะยังอ่ะทานคุณก็ทำใจในใจให้เป็นทินนังได้ยังทินนังแล้วก็เป็นอัติทินนังทำทานก็มีผลเพราะทำใจในใจเป็นเพราะมณสิการเป็นโยนิโสมมณสิการได้คุณทำใจในใจคุณเป็นคุณอ่านใจคุณออกแล้วคุณก็ทำใจให้ใจคุณบอกเออให้มันสละทานก็สละคุณก็ทำใจสละเป็น คุณทำเป็นหร like ือย <No. S 1> ังนะหรือคุณปฏิบัติศีลปฏิบัติวิธีการปฏิบัติต่างๆยึดถังยึดถังต่างๆคุณทําแล้วมันเป็นเมื่ลไรมันทําให้เกิดการลดละนายคลายไหมปฏิบัติวิธีปฏิบัติสูตรไหนก็แล้วแต่ทฤษฎีไหนก็แล้วแต่คุณปฏิบัติแล้วคุณปฏิบัติรู้ไ่มว่าคุณทำได้ผลอัจฉิยถังคุณแยกสักขะออกหรือยังคุณรู้กามสมในกาม บ่เรอ ก, กามแล้วคุณก็เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ห่อห่อเป็นกา ม, มาสุขันลิกะเป็นสวรรค์เท็จนะที่เกิดจากกามสมใคร่อยากแล้วคุณก็เจอดอารมณ์โอ้โหชื่นใจมันก็เป็นอาการชื่นใจอาการเป็นอัศทะเป็นรสอร่อยรสเพลิดเพลินรสสนุกสนานรสพออกพอใจอะไรงคุณแล้วแต่คุณอ่านออกหรือยังว่าอันนั้นแหละเป็นสวรรค์แล้วไอสวรรค์อันนี้ละ เมื่อสวรรค์เสบบำเรอกามนี่มันเป็นการมาทินวะมันเป็นโทษมไม่ใช่เป็นคุณแต่คุณเป็นหลงเป็นคุณนะกามคุณอยูอน่นะคุณยังอริสอร่อยโลกีพวกนี้อยู่นะใช่ไหมถ้าคุณเข้าใจมันเป็นกามมาโทษหรือการมาทินวะเมื่อไหร่จิตของคุณมีปัญญาเห็นอย่างนี้จริงๆคุณก็จะไม่เอาแล้วเป็นพยตูปทานญาณอาทินวานุปสนาญาณนิพพิทายา น, น คุณก็จะไม่เอาแล้วคุณก็จะมันความฉลาดเนี่ยมันจะไม่เอาจริงๆจิตของมันเปลี่ยนทิศจากมันเอามันยังไม่เอาแล้วคุณก็จะไม่เอาแล้วอย่างพระยศท่านเองท่านเข้าใจพวงนี้ท่านมีบารมีท่านเข้าใจชัดแล้วโสดาบานหมายความว่าขั้นต้นท่านเข้าสู่ขัข้ตนต้นพอฟังธรรมะอีกอ น, นัตต์นตะพออนัตตะคารสูความไม่มีตัวตนท่านก็ เป็นอลหรหัน์เลยเอา้าบารบมีของท่านยิ่งใหญ่ะคุณเองคุณมีจะปัญญาหรือว่ามีตัวเจโตที่ได้ทํามาแล้วมันง่ายไดยอย่างนั้นน่ะคุณไดล้างจนกระทั่งมันง่ายอะ่ะมันเป็นนิสรณัปปหารฟับแตะปั๊บหลอหลุดเลยรู้ปับ๊บหลุดเลยคุณเคยมีบารบมีอันนี้ยังน่ะถ้ามีบารบมีนี้แล้วคุณเข้าใจพวกก็หลุดปับ๊บแล้วคุณเข้าใจอย่างนี้หรือยอย่างก่อนคุณได้เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้ยัง อ่ะอัตามาอธิบายฟังคุณเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเพราะเข้าใจปุ๊บคุณหลุดจากพยศาศไม่ล่ะยังไม่หลุดจางพยาะคุณก็ไม่ใช่พยาะคุณก็ไม่มีบา ร, รมีเท่าพยาะคุณก็สั่งสมบา ร, รมีต่อสิสงสัยอะไรอ่ะสงสัยไหมตรงเนี้ยไม่สงสัยครับอ่ายอมรับตัวเองไม่สงสัยเรายังไม่มีบา ร, รมีเราก็สั่งสมต่อบา ร, รมีนี่มันหามาเองได้มันเกิดเองได้ไหมถ้าไม่ปฏิบัติไปซื้ออตํารานขยาได้ไหมใครเอามายัดยัดยัดยัดใส่ให้ได้ไหม ไม่ได้ทั้งนั้นต้องทําเองก็ต้องทําไปสิเหมือนๆมันอย่างนี้มาเราไม่มีบารมีเรากต้องทําเท่านั้นเองเราทำไปอยู่ใกล้คนมีบารมีอย่างดูดเอาไม่ได้เลยออถ้าทําได้ผมก็วันละร้อยคนร้อยคนโอ้โหรับรองเต็มบ้านเต็มเมืองเลยถ้าทําได้ป่านนี้ผมจะเอาของพูดได้เลยยัดปุ๊บปุ๊มามามาเขามาวันนี้เอาเซ็กซ์รอยคิวว้าพูดเป็นนิยายตลกเป็นอ่า เป็นอะไรเลยเป็นอการ์ตูนอะไรการ์ตูนทำไมนี้เที่ยก็เรียกอะไรนะสร้างะ น, น, นะแอนิเมชนเป็นการ์ตูน a อนิเมชันไม่ได้อะโตดูได้พวกผมได้ไปก่อนแล้น ะ, นะได้ก่อน้วอยู่ใกล้ใกล้<ๆ>นะเราก็เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผูดด้ใดเอาสูรุจเจ้ามาอธิบายได้ชัดเจนขยายเข้าใจง่ายรู้ง่ายถ้ายังเป็นอัตมาเองก็ยังกพยายามใช้นุ น, นิรุติปฏิพานใช้ภาษากับปฏิพานความมีไหวพริบเฉลียวฉลาดเนี่ยมาประกอบคำอธิบายโดยเอาจากอัตธรรมะมีเนื้อแทอ้มีเนื้อแท้มีสาระของธรรมะอยู่ในตัวเราแล้วน่มีมวลเท่าไหร่ธรรมะคือมวลปริมาณอัตขึ้น สาระเนื้อแก่นเราก็มีแล้วเนี่ยเนื้อแก่นสาระของเรามีอยู่ในตัวเราธรรมะก็คือสิ่งที่ทรงไว้มากหรือน้อยหรือของใครของมันเรามีอยู่บ้างแล้วอาตมามีบ้างแล้วก็เอามาใช้เอามาทํางานเอาอนนีนะ้ที่มีในขณะที่อาตมาทํางานไปเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมันก็จะมีผลมีผลของโพธิสัตว์คือ เราจะเจอโจทย์ที่โอ้โหโจทย์นี่ไม่เคยเจอวะ่ะเอหรือว่าเราลืมเคยเจอแล้วจกนกระทั่งมันเจอน้อยมันไม่ค่อยจะชินมันดืมหรือว่ามันยังไม่เคยเจอแล้วโอ้โหใหม่มากเลยโจทย์เดีย๋ยวนี้เราชีวิตมาเกิดมาตั้งร้านร้านชาเนี่ไม่เคยเจออีแบบนี้เลยมันมีเหมือนกันนะมันยังไงโอ้โหทำไมมันตะแบงอย่างนี้มันหนาอย่างนี้มันดืดดานอย่างนี้ มันอะไรอย่างเนี้ยมันตะแบงมันมีอย่างนั้นอย่างนี้กับบวชนแมมก บ, บิกระ บ, บวนอย่างโน้นอย่างนี้นะแปลกเว้ยเรายังไม่เคยเจอเป็นอย่างนี้ก็มีเนาะอาตมาได้ลงทันหลายคนแบบนี้หรือได้วากมันจนกระทั่งวานอาตมาจาได้มีสองคนไม่บอกว่าใครอาตมาจนกระทั่งต้องวากเลยบอกคือออกเสียงแรงเลยนะคือว่าแรงๆอ่ะจะเรียกว่าด่ากันเลแรงๆากเลยสองคน วากไปอย่างทันทีทันใดเลยสองคนเราก็รู้สึกตัวโอ้โหเรานี่แรงมีสองคนเป็นผู้หญิงโอ้อย่างนี้กันเนาะไม่เคยเจอเจอแล้วก็ยังอยู่สองคนนี้ยังอยู่เหนียว <laughs> เหนียวเหนียวเดียวกันอะ่ะโอ้โอยังอยู่ยังอยู่ตั้งสองคนอะ่ะเจอฟังไม่ต้องไปตามเราเป็นใครมันมัมีปัญหาอะไรหรอกเอาตัวของเขา <c oughs> เขาสํานึก <c oughs> เขาก็แก้ไขเขาก็พยายามอยู่ดี <c oughs> เขาก็ดีขึ้นได้่อยรืยนะ เจอฝ่ามือโพธิสัตว์อ่าเนี่ยเรียกว่าฝ่ามือโพธิสัตว์ก็ได้อโอ้โหเราก็แหมมันมันถึงขั้นหลุดนะเรียกว่าหลุดนะสมัยนวันสมัยใหม่มันหลุดนะโอ้ออวกักสองทีสองคนนี่ก็จําได้แล้วก็เห็นอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีอโอ้โหเราพ้นไโพธิสัตว์นี่ก็ต้องศึกษาโจทย์พวกนี้ไปเรื่อยๆชีวิตเราเกิดมากี่ชาติกี่ชาติมันไม่เจอขนาดนี้เลยวะ อะไรกันนะกันหนาวเว้ยเี๋ยวเว้ยจนมันทนไม่ได้ก็หลุดไปแต่เสร็จแล้วก็อ๋อเขาเข้าใจแล้วประมาณเหย็ดแครดออกคูแคนเข้าเออเออเอเ อ, เ อ, เ อ, อไปแล้วฟังแล้วขนาดเกิดโพยสัตว์มันยาวนานนี่ไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้แสดงว่าโอ้โหแสดงว่ามนุษย์นี่มีปัญหาสารพัดแต่ก็แต่ก็เขาก็มีบา ร, รมีนะคนไม่มีบารมีหลุดไปเลยก็มีไม่ได้ว่าขนาดนี้ครับ ไม่ได้ว่าขนาดนี้เราว่าแหลรงไม่แรงขนาดนี้หลุดไปเลยออกไปเลยก็มีอะไรก่อนก็แล้วแต่บา ร, รมีใครบา ร, รมีมันซึ่งเหล่านั้นผมไม่ได้ว่าด้วยนะแต่เขายังไปนะี่ไม่ใช่โทษผมนะผมวากแล้วเขาไม่ไปนี่โทษผมไม่ได้นะครับ <c oughs> แสดงว่าผมประมาณดีว่าคนนี่เหนียวอะ <c oughs> ว่ากขนาดนี้ยังไม่ไปอะ <c oughs> เหนียวอะ <c oughs> ประมาณถูกอะอาใช่ไหมอ่าถ้าว่าเข้าไปนี่นะ จำได้จริงๆนะว่าอาตมาไม่ได้วากแล้วกัคนที่วากนั้นทายไปเลยเนี่ยยังไม่มีจําได้ไปสองวากนี่แหละโอ้สองคนนี่แหละโอ้แต่ยังอยู่แสดงว่าอาตมาไม่บาปไม่ผิดไม่อบัตเนี่ยไม่บาบัตแสดงว่าตอนวักตรงประมาณอยู่แล้วมันไม่ทันมันไม่ทันถ้าทันไม่ไม่วักหรอกเสียละเสียนะครับมันเสียเรานะไม่ไม่ใช่ไม่เสียนะมาวากไปนี่มันเสียน่ะวากมันเสียน่ะ โดยรูปแบบมันไม่ทันครับมันได้ละเมิดไปแล้ว อ, อันนี้ก็ต้องปรองอบัตนี่ก็คือถือว่าปรองอบัตถึง <c oughs> กัพูดมาหลายทีนั้นแหละแต่ว่ายังไม่ชัดถ้าวันนี้วันนี้ขยายชัดแต่ไม่บอกบุคคลเท่านั้นสิ่งที่มันไม่ควรเปิดเผยในเรื่องของไม่ควรเปิดเผยเนี่ยเราก็อย่าเปิดเผยอันนี้แม่แต่พระพุทธเจ้ามีสีมีหลักเกณฑ์มีวินัยเลยว่าอาบัตมิมากปาบอาบัตหนักในะขั้นครุคุกรรม อย่าเอาไปพูดข้างนอกประชุมกันอยู่ในวงสงฆ์เป็นสังก ร, รมเสร็จแล้วอย่านำารุอาบัตินี้คารุกาบัตินี้ออกไปเปิดเผยข้างนอกเผยแพร่ไม่ได้ปิดไว้มาจะเรียกว่าอําปรางก็ อ, อําพรางเพราะมันเป็นผลเสียเสียทั้งาศาสนาเสียกระทบกระทบหมดนภาวะอย่างนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่จำเป็นส่วนมันจะเข้ามาตามรู้ที่หลังส่วนวิสัยกันแล้วไปมันช่วยไม่ได้ แต่ก็พยายามอย่าให้มันมันมันจะเสียผลต่อเนื่องไปอีกไกลอันนี้ก็เป็นธรรมวินัยเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบางคนบอกว่าเ อ, อ, อยจะช่วยยังไงก็ต้องเปิดเผยเมื่อโชคต้องเปิดเผยไอ้อ น, นี่มันไม่มีลิมิตมันไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่มีวินัยมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยมันไม่รู้ดีรู้ช่วยเราเรารู้ไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับใช่ไม่ได้ประโยชน์เสียหายด้วยครับเพนะราะฉะนั้นก็ก็ทําตามพระเจ้าท่าน เออเอาละใครไม่เชื่อพระพุทธเจา้าไม่ทําตามพระพุทธเจ้า ก, ก็แล้วไปเอเ อ, เ, อเราก็แค่ขอแค่ทําตามพระพุทธเจา้าแค่นั้นแหละเขาถือไม่ทําอะไรเอาอีกเอาออคุณครับสงสัยมากในชานะครับ <c oughs> ก็าผมว่าผมเร็วนะครับแล้วก็ <c oughs> ง่ายโดยรับในการปฏิบัติเนี่ยอ้าวดีครับเพราะว่าผมเคยพูดกับของท่านแก่นเกล้าท่านก็มาพูดที่ อ่สาสลานี่เหมือนกันครับว่าการที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้นี่ไม่งยากเลยนั่นครับผมว่างั้นเลยนะครับเพราะเพราะมันง่ายจริงๆครับ <c oughs> แค่โลภโกรธหลงแค่นั้นละไม่ต้องศึกษาอะไรสักอย่างเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่ต้องว่าเป็นอะไรอะไรๆที่ที่ท่านเพราะท่านาบรรยายมาเนี่ผมรู้บัางไม่รู้จําจําไม่ค่อยได้แล้วครับแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอย่างที่พราะท่านว่าแล้วครับผมเอาอย่างเดียวลโลภโกรธหลงเนี่ย ง่ายที่สุดเลยเอาเลยแลได้ง่ายๆใช่ั้มครับโมตะโกนเลยสิ้นเชื้อเลยเอาใช่หมครับมันแปลได้ง่ายๆ่ายแไม่ต้องไปอะไรขั้นตอนเป็นอะไรไม่ต้องแล้วครับออกแคลเนี้ยพอมันเกิดอขึ้นมาผมก็ไอ้นี่มันโรคใช่ไมโรคเพรไม่เอามปนว่าโรคเนี้ยนี่มันโกรธใช่ไหมเฮ้ยมันมีมันมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะไดครับมันมีตัวหยาบตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะใช่ครับใช่ครับแต่ยังไงยังไงแล้วเอาตัเด็ดขาดไปบอกเอาให้มนรู้ทุกตัวให้ได้เอาแต่ผมปัญญาผมคงไม่ถึงขนาดนั้นเอาเอาเอาผมเอาแค่ มันไม่ดีอะเอาเลยเอาได้ไอโรบันลุไอโกลมมันแน่นอนมันโกลมมันทุกหนักเลยอะไม่ขัดคล้องมันทุกนัครับใช่ไหมทุกข์ันักจริงๆนักเราารักเขาเลยเอาไม่ขัดค้องครับเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยเอากระมันเด็ดขาดแบบที่ว่าทันใดมันก็เเลยบรรลุอ้าแต่ว่าบรรลุผมก็เคยเคยบรลลุดเหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวเล่าสภาวะในการบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นะครับอืแต่เป็นสายเจโต สายนั่งกรรมาฐานมผมรู้สภาวะของการเป็นพระอาหารหันต์อย่างที่ว่าชัดที่สุดเลยเพราะผมก็เคยคุยกับพ่อท่านเหมือนกันว่าว่าผมเนี่ยเคยไปนั่งอยู่ในถ้ำเนี่ยแล้วก็าทาไอภาวนาหลับตาเนี่ยนะครับผมตั้งแต่เกิดมานี่ตั้งแต่จนถึงขนาดนี้ยกสิบสองปีนะครับเกิดปีเก้าห้าก็อ่า ไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเท่าครั้งนั้นนะครับมันสุดยอดที่แบบของการที่ว่าเอาอะไรอะไรมาเทียบก็ไม่มีเทียบเคียงได้เลยนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมจึงเชื่อว่าแล้ะพ่อท่านบอกว่าไงพ่อท่านบอกว่าเราผมก็ถามพ่อท่านตอบไหมแล้วผมมาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยเป็นตอนนี้ยี่สิบห้าปีอัพอะครับไม่เคยมีสภาวะอย่างนั้นเลยอะอืมพ่อท่านว่าว่าไง คุณทำต่อไปคุณทําต่อไปโอ้โหผมเชื่อครับว่ามันเป็นเป็นที่ว่ามันต้องทําต่อไปจริงๆอะมันต้องทําต่อไปแล้วมันถึงจะเป็ น, เ ป, นเป็นของจริงแต่ผมก็อา้อาวอ้าวต่อไป <laughs> อ่ามันเป็นสภาวะของเจโตเป็นสภาวะของเจโตว่าได้สัมผัสความว่างอ่าเป็นเจโตแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เอาเถอะท่านอนุโลมให้ว่า อาจจะมีอาสวะบางอย่างาดับได้โดยซ้ำไปอนุโลมให้ขนาดนั้นยอมให้ขนาดนั้นแต่ท่านว่ามันยังไม่ครบยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่สมบูรณ์หรอกถ้าอยากให้สมบูรณ์ต้องมาสัมผัสวิโมก8แดด้วยกายลืมตามีจักขุมีญานมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างสัมผัสของจริงทั้งหมดเลยแล้วก็อ่านวิญญาณออก วิญญาณผีวิญญาณสัตว์นรกวิญญาณที่มันมีโลคอย่างนี้อาการอยากกลางละเอียดขนาดนี้จนแม้เศษธุลีละ อ, องความละเอียดของเศษธุลีของล ะ, ละโลกก็ตามโกรกก็ตามลงก็ตามที่คุณเรียกสามตระกูลใหญ่เนี่คุณก็เข้าใจหมดและคุณก็กําจัดมันได้หมดจริงจริงๆๆิตรวจสอบถึงขั้นอรูปฌานสี่จริงๆเลย จนไม่มีอะไรที่เหลืออกกินจัญญายตณะจนมันหมดจริงๆเป็นวิมุตติยานศาสนะแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกจนไม่มีอะไรที่จะไม่รู้มันรู้หมดรู้เกลี้ยงจนกระทั่งสิ่งที่ไม่รู้รู้ว่ากิเลสคืออะไรทุรีละอองคืออะไรมันไม่มีคืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีสมกาละน่ 36.36. บกทุกปัจจุบันก็ตรวจความไม่มีความไม่มีความไม่มีทำความไม่มีจนกระทั่งว่ามามรู้แล้วไอ้ความมีคืออะไรความไม่มีคืออะไรจนไม่มีถาวรมั่นคงยั่งยืนตลอดกาลนานจริง จ, งจึงตอบตัวเองได้ว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างศูนย์เด็ดขาดศูนย์ไม่มีอื่นอีก ไม่มีการกลับกำเริบปิดแน่นอนนั่นคือสิ่งที่คุณตรวจด้วยอรูปฌานสี่อย่างแท้จริงอรูปฌานสี่ที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเห็นแสงสว่างอย่างที่คุณเห็นต้องลืมตามีกายามีองค์ประชุมทั้งนอกและใ น, นมอออออออีอัชตังอรูปะสัญญีเอโกภะิทารูปานิปัสสติ ต้องสัมผัสทั้งภายนอกภายในเห็นพร้อมกันหมดเลยทั้งรูปจกนกระทั่งสิน้นรูปเอโกโดยของตนเองส่วนของตนเองนี่แหละอ่านให้ครบในมิโม่ข้อที่สองนี่จะต้องรู้สภาวะความเป็นจริงอย่างครบและคุณพิสูจน์ตัวเองคุณตอบตัวเองคุณจะหลงไม่หลงคุณจะผิดไม่ผิดก็คุณว่างคุณเองอผิดมันก็ผิดของคุณเองถูกก็ถูกคุณเองจริงก็จริงของคุณเอง เพราะผู้ที่รู้จริงๆว่าอนาคตมันศูนย์เด็ดขาดเลยยังไงยังไงนี่ทำไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วสัมผัสเนี่ยคุณก็เป็นจริงของคุณคุณก็ตัดสินได้ Stamp a p อ r o v e เป็นพระอาหาัรได้แล้วอนุมัติตนเองอนุมัติตนเองเป็นอาหันคุณก็เป็นกัตต ย, ยานเป็นยานที่ บอกแจ้ได้ตนเองว่าเราอารหันแล้ว ร, รับประกาศได้แล้วบอกได้ถ้ายังบอกไม่ได้ยังไม่มั่นใจผู้ที่ท่านปฏิบัติธรรมที่มีมรรคมีผลของตนเองนี่นะท่านจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเล่นอ่ะมันของจริงอ่ะเอออันนี้มันยังไม่จริงเอ้าแล้วเอาไม่ไปยังไม่จริงเลยไปว่าจริงนะท่านจะไปพูดได้ยังไงก็ท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรพี่ดีอะไรผิดอะไรถูกแล้วจะไปหลาะแหละ ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ให้แก่ตนแล้วมันเข้าใจแล้วว่ากรรมมันเป็นช่องจริงคุณทำเมื่อไหร่คุณทําความไม่ดีแล้วคุณจะเอาไปให้ใครคุณทําอ่ะก็ตัวเองก็รับสิครับแล้วคุณไปบ้าเหรอคุณกําลังมาไม่ทําคุณกำลังทําออกแล้วคุณก็จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําสิ่งที่ไม่ชั่วก็ขอไปมาทําสิ่งที่ชั่วคุณจะไม่ทํามันจริงๆแล้วนี่ชั่วคุณจะไปทำไอ้คุณจะโง่หรือเปล่า ตลบตลแรงหรอือเปล่าคุณจะเป็นคนตลบตลแรง ค, รคุณตลบตลแรงเองคุณโง่เองคนก็ไม่โง่ไม่ตลบตะแรงก็มันจริงจะไปทําทําไมครับมันรู้แจ้งเห็นจริงอยู่แล้วก็เข้าใจอยู่ว่ากรรมเป็นอันธรรมจะไปทําทําไมก็รเรารู้ว่าไม่ดีเข้าใจชัดเออจนเราก็ไม่ทําอยู่แล้วเออครับก็รู้แล้วว่ากรรมเป็นอันธรรมทําแล้วคุณจะไม่เอ า, เอาก็ไม่ได้จะบ้าเลยคุณทำไปทำไมไปไปไเป็นนักกรไป โอ้จะมาทำกันแล้วก็ไม่ทาทําแล้วก็ไม่ทำโง่โชั่วชวก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ทําได้ด้วยเออถ้าทําไม่ได้ก็ชดวิสัยออกไม่มันมันมันรู้แล้วมันทําไม่ได้ออกทาไม่ได้ก็ทําไม่ได้ที่ทาไม่ได้ก็พาคเพียนไปมันได้แล้วก็ไม่ทําแต่มันได้แล้วก็ยังไปทําชั่วอีกไปไปเถอะก็ทําดีได้แล้วยังไปทําชั่วอยู่อีกไปทำทำไม่เราไปจะบัตรทําไมแล้ว ฟังไว้นะทําดีได้แล้วแล้วมันจะจะทำชั่วอีกไปทําทําไหมอีกเราก็ทําดีได้แล้วอะ่ะมันทนไม่ไหวก็แล้วไปเถอะมันทนไหวอยู่แล้วหรือไม่ต้องทนแล้วเอา้าแล้วไม่ต้องทนแล้วก็ไปทําทําไมอะ่ะจะโง่ไปอีกกี่ชั้นจะโง่ดักดานไปอีกนานเท่าไหร่ก็ต้องถามอย่างนี้เท่านั้นเองครับเอาละเวลาจะหมดแล้วสรุปสิบเอ็ดนาฬิกาให้สรุปได้ วันนี้เราได้ฟังสิ่งที่ลึกซึ้งนะจากพ่อครูแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เบิกบานแจ่มใสนะก็ได้สิ่งที่ใหม่ที่พระครูที่ายลึกซึ้งขึ้นอย่าง อ, อัตรา3ามเงี้ยเอ อ, อตาก็เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นนะอธิบายมีรายละเอียดมากคือเราความเข้าใจของเราของอตมาเองนะที่ดูอตก่อนนี้เราก็แยกกันส่วนเอออราลิกาอัตรามันก็ยัง มโนวิชาตามันก็อย่างรวักไม่แยกไ<ะ>ม่แยกครับแต่ว่าพ่อโค้ไม่มีอะไรแยกกันเลยในมหาจักรวาลนี่ทุกอย่าง Re ation, รีเลชันทุกลางเป็นความเชื่อมโยงต่อกันหมดมันสัมพันธ์กันคื อ, อได้เข้าใจว่าคือเราออดไอโรอารูปอัตตาเนี่ยเป็นอัตตาอยากของตัวเราเองนะแล้วมันก็สังสมอยู่ในมโนวิยัตาของเราถ้าเราลดละกิเลสไปเราก็จะเห็นอรูปอัตตาเรามากนดได้ในในขณะนั้นเพราะว่ามันเป็น อัตราที่เป็นตัวเล็กนะอันนี้ก็คือความที่เข้าใจในการปฏิบัติว่าง8ปดเนี่ยพ่อครูก็พูดถึงแสงอรุณเจประการนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มิตรดีที่อาตมาได้เกื้อก้าวไว้ว่าที่เราจะมีพลังที่จะทําปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ตามที่พ่อครูอธิบายหรือพระเจ้าได้ได้สั่งสอนไว้เนี่ยก็ต้องอาศัยหมู่มิตร ด, ดีสหายดีนี่แหละเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะโดยเพราะมี พราะครูเป็นประธานเป็นองค์แกนหลักของพลังงานแห่งจิตที่ดีมากนะที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้มาคบสัตวุบรุษนะอาตมาก็สงสัยมาไหนไอ้คบสัตว์บรุษบริบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงนะมันทําไงให้เราบริบูรณ์เราจะคบยังไงกับท่านเนี่ยนะท่านอยู่กับเราใกล้ๆเนี่ยครบกับท่านยังไงให้มันบริบูรณ์ทันทีนะมันจะได้บุญลงบรญรุทันทีอะไรเงี้นะคือใจผมก็สงสัยอยู่ตลอดเวลานะคือก็เข้าใจมากขึ้นวอ๋อเราจะต้อง อยู่กับท่านนี่ก็ต้องกตือรือร้อนเขานั่งใกล้เงียโสดสดับนี่เป็นอธิบายพระเจ้าครับคือก็ต้องมีความยินดีที่จะมาฟังธรรมกับท่านอย่างเต็มที่นะเขานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมอย่างตั้งใจไปฟังไปหลับไปฟุ้งซ่านแล้วก็หาเรื่อหาเรงนี้มาทำมันก็ไม่บริบูรณมันก็ไม่ได้เรื่องได้ล่ะใช่ไหม ม, มันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้นะพ่อครูยังบอกว่าเมื่อยินดีแล้วนี่คือตายเป็นตายนะคือของพ่อครูสูตรสูตรเด็ดมากก็คือถ้าเกิด จะสู้อะไรก็แค่ตายนะอันนี้มาก็ตายแสดงว่าจิตพรติสัตว์มันไม่ธรรมดาคือสู้แค่ตายนะมันเป็นมันเป็นใจเรายังไม่รึก เ, เราไม่เอาถึงตายหรือว่าเอาสู้แค่นี้ก่อนหนึ่งน้ำดำๆแล้วขอตอมาเนี่ยเหยะเยาะเยะครับมันเยอะเยาะเพราะว่าเรายังมีกิเลสความหวงตัวอยู่ไงยังไม่จะสลัดตัว ต, วตวนออกไปได้หมดเนี่ยแต่ว่าผู้ที่ท่านไม่มีตัวตวนท่านก็จะพูดหัวเน้นประเด็นชัดน้ําหนักมันมากเราเห็นเอออย่างนี้ชนะแน่ คือถ้าใช้ประเด็นคําพูดอย่างเงี้ยชนะแน่แต่ถ้าแบาบแบบเออเดี๋ยวเดีย ว, ยวก่อนเนี่ยมันไม่ชนะแง่าง่เลยมันมันไปมันไปไม่ได้ไงแต่ของพวกครูนี่แค่ตายตายเป็นตายแต่มาว่าเออถึงดีไว้แบบนี้เนี่ยมันไปดีแต่กี่เ ร, เรามันบอกว่าอย่าพิ่งตายเลยวะเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันอะไรเนยมันก็จะหยอดแย่ออยงเงินตลอดเวลาเท่าที่รู้สึกต้องพยายามย้ําสิ่งเหล่านี้เป็นคาถาที่ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มากขึ้นนะนั้นได้ฟังทำแบบ น, นี้แต่มาว่า หลายหส่วนนะอาจจะได้ฟังสิ่งใหม่ๆหลายหส่วนถ้าใครได้ฟังเนี่ยรายละเอียดพ่อครูก็แยกแยะไปดีถ้าเรานําไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเกิดความระไนคลายได้มากขึ้นนะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคือทำและสุดท้ายเนี่ยคำพ่อครูบอกว่าเมื่อทําดีได้แล้วเนี่ยจะกลับไปทําชั่วทําไมอันนี้คำพูดนี้แต่ว่าฝ <c oughs> ังหัวตัวเองเอาไว้ห้มากๆ มันจงโง่หรือไงจะบ้าหรืออะไรเงี้ยโอ้โห <c oughs> จริงไหมล่ะจริงแต่ว่าอัดกิเลสเราจนแบบหึ่มเราทําได้แล้วแล้วก็ไปทําชั่วทํำไมเอตลกคือเป็นคําพูดภาษาง่ายๆแต่ว่าทําให้เราเนกิเลสเราเสะเทือนแล้วเราก็จะสงวรระวังมากขึ้นคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดประคาถาใจทําให้เราได้สังวรระวังมากขึ้นถ้าคนเราจะเห็นว่าเราเนี่ยยังหยาบอยู่นั้นคําพูดเหล่านี้ก็แทกกิเลสเราให้กระเด็นออกไป พอไปเริ่มเรื่มมันก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องย้ำใหม่ย้ำใหม่ย้ำใหม่ทำให้เราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องขอกาบขอบพระคุณพระครูคได้ความเคารพครับแล้วก็อนุโมทนาทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมหวังว่าฟังธรรมในวันนี้แล้วคงปฏิบัติธรรมให้เกิดการบรรลุธรรมตั้งแต่สวสดาบันจนถึงอรหันต์กันทั่วทุกคนเทินเจริญธรรม